อาจารย์ครับการอำมาตการครับผมเดินพรคุณหมอและท่านผู้ชมทู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยสามแล้วครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการอาจารย์วันนี้เดินมิถบาทมีคนใส่บาตรเยอะไหมครับผมวันมาณสามร้อยสามสิบเจดคนโอ้ชอบสามเจา็ดเลยพรุ่งนี้ออกแน่ๆมาเรื่องนี้ <laughs> ถับเลขไว้ให้ก่อน ถ, ถ้ากาดทุนก็อย่ามาทวนเรามาแล้วกันครับผมถ้าถูกนี่คนไปแน่นเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องนักเดินทางที่ไม่หลงทางกับอาจารย์มี มีมีเรื่องตื่นเต้นครั้งหนึ่งที่ผมไปเที่ยวครั้งนี้ครับอาจารย์ที่ยุโรปครับ mm hmm. ผมนั่งรถไปแล้วก็กดว่ามันหลงทางครับอาจารย์มันหลงเข้าไปในภูเขาหิมะแล้วมันก็ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วข้างบนเนี่ยหิมะก็ตกตลอดทางเลยครับแล้วตอนขึ้นก็น่ากลัวแล้วพอตอนลงนี่มันยิ่งยิ่งน่ากลัวกว่าเพราะมันคดเคียวคดเคียวและหิมะก็ตกหนักว่ตอนนั้นนี่คําอาจารย์ก็ลอยเข้ามาเลยครับว่ากลัวตายไหม <laughs> ก็ก็เข้ามาในหัวอะไรครับอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าความการหลงทางนี้มันน่ากลัวจริงๆครับวันนี้ก็เลยอยากจะกราบเรียนขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าเล่าเล่าว่าเออพวกเรามปนนักเดินทางแล้วทํำยังไงพวกเราถึงจะรู้เป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาแล้วเราจะเดินไปยังไงเพื่อที่จะไม่หลงทางนะครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับการเดินทางไปทางที่เราไม่เคยไปถ้าจะไม่หลงทางก็ต้องมีแผนที่หรือว่ามีคนนําทาง ถ้าไม่มีแผนที่ไม่มีคนนําทางโอกาสที่จะหลงทางก็เป็นไปได้ง่ายอย่างคุณบอนถ้าไม่มีแผนที่ติดตัวไปไม่มีไกด์แม่กุแทกพาไป <c oughs> ก็จะหลงทางได้ครับ <c oughs> เป็นทางกุเทฆว่าเราจะเดินไปในเป็นทางที่เราไม่เคยไปกัน <c oughs> ทั้งที่เราเคยทางนี้กที่เราเคยไปเป็นทางที่พาเราไปสู่ความทุกข์คือทางแห่ง วัฏฏะสงสารทํางห่การเวียนว่ายตายเกิดทางที่มีความอยากคือการพัฒ น, นาภาวะทันนาวิภาวะันนาเป็นผู้ผลักดันหรือดันหรือนำเรไปเราก็เลยติดอยู่ในกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมาตลอดจนกว่าเราจะได้มาเจอวัคคุเทศหรือเจอแผนที่ ซึ่งพัะพุทธและแผ่นที่นี่ก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพระุทธเจ้ามาตัดสโลทางออกจากว่าตัดสงสารทางไปสู่ะนิพานพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้ทางออกเราก็จะหลงทางเวียนอยู่ในตายพบนี้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสพกล้าหรือเสพ ชานแล้วพอตายไป ก, ก, ก็ไปเกิดในภพตา่างๆในเป็นเทพบางเป็นพรหมบ้างหรือถ้าทําบาปก็ไปเป็นเปรตไปนรกบ้างหลังจากนั้นก็กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเสพกาลใหม่เสพชาญใหม่นะครระหว่างที่เสพชาญและเสพกาลก็ จ, จะมีการทําบาปทําบุญไปแล้วแต่โอกาส ก็เป็นเหตุที่พาเราได้ไปเกิดในสวรรค์บ้างไปในโลกบ้างก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะออกจากวัฏจักรสงสารได้จนการจะมีคนเจรจาอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้และเห็นทางออกทางที่จะออกไปสูงพระนิพพานก็ทางแห่งการปฏิบัติอ มาแปดหรือทานสีงภาวนาเนี่ย้เราก็ต้องพยายามกอดเอ็นอยู่กับแผนที่แผนที่เขาบอกว่าให้ทำบุญทำทานให้รับสาสีงให้ภาวนา <c oughs> ถ้าทำได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะออกจากการมีว่าตาเกิดก็จะออกได้ได้เร็วขึ้นถ้าปฏิบัติน้อย โอกาสที่จะได้ออกมันก็จะมีน้อยเราก็ต้องคำนึงถึงเวลาว่าเรามีเวลาเหลือให้กับการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรความจริงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเหลือน้อยมากน้อยเพียงไรเพราะความตายมันก็อาจจะมาได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อความแม่ประมาณเราก็ควรที่จะรีบเอาเวลา มาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าถึงแม้เราจะมีแผนที่หรือมีมากุเทนคือ ถ, ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ยังมีพระอริยสองสารุญพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบผู้ที่จะคอยสอนบอกทางให้กับเราแต่ถ้าเราไม่มีเวลาถึงแม้จะมีแผนที่ถึงแม้จะมีอมากุเทน มันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยพราะเราไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติ mm hmm. เดินทางไปตามแผนที่นตามที่พระพุทเทศจะพาไปเพราะฉนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามเราเลิกถึงมีงเรื่องก็คือความตายอย่างที่สสรพระเจ้าทรงสอนพรานออุโาให้เราเลิกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าก็ชีวิตจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบทําความเพียร และได้ริมปฏิบัติทานสีภาวนาหรือถ้าเป็นพระก็ปฏิบัติสิงสมาธิปัญญาในขณะที่ยังมีโอกาสและก็ยังมีมากุเทสมีแผนที่ถ้าเกิดเราตายไปก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราโอกาสห น, าน้ากลับมาเกิดใหม่ยังไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่อาจจะเลยยุคของพระพุทธศาสนาไปแล้วก็ได้ ยุคสิบพระพุทธศาสนานี้ก็เลยประมาณสองพันห้าร้อปีเราผ่านมันเกินพุทธกาลแล้วถ้าเรากลับมาหลังยุคพุทธกาลคือไม่มีคาสอนไม่มีผู้สอนไม่มีผู้แนะ น, นำทางเราก็จะไม่มีทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันได้คือไปสู่พระนิพพานัน ออกจากกอบทุกแห่งการเรียนไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นโอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราถ้าเป็นรถไฟก็อาจจะเป็นรขบวนสุดท้ายที่เราจะสามารถขึ้นและกลับบ้านได้แตถ้าเราไม่เร่งขึ้นเรายาังไปนหัวโอเอทํานู่นทํานี่อยู่คิดว่าไมกกาซานเดียย๋ยวมีขบวนใหม่มาขบวนใหม่ก่อจะมานี้ไม่รู้เมื่อไหร่ ไม่มีกำหนดตรางเวลาเกิดตั้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วกว่าจะมีพระพุทธศาสนาใหม่ครั้งในึ่งก็จะใช้เวลาอันยาวนานเป็นกับนะกับนี้มันเป็นเวลาที่เรานับไม่ได้กันเพื่อตัวเลขยาวนานมากกว่าจะได้มีพระพุทธศาสนามาปรากฏในโลกนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ จังหวะที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่มีศาสนาพุทธอันใหม่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่เพราะช่วงที่มีศาสนาในโลกนี้เราอาจจะไม่ได้มาเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะมาเป็นสัตว์เดรอดฉันก็ได้ถ้าเราทำบาปหรือถ้าเราไปทำบาปหนักอาจจะไปติดคุกาำในอบายอยู่ในนรกที่อยู่เป็นเปรตเป็นอะไรเป็นระยะเวลายาวนานก็ไหรือว่าถ้าเรา ฝ่ายบุญฝ่ายบุญสนเราทำบุญแล้ก็่าจะไปเป็นเทวดาหรือถ้าเราเข้าสมาธิได้เข้าฌานได้เราก็จะไปอยู่ในพรหมโลกอย่างอาจารย์สองรูปของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าครับนึกถึงตอนหลังจากที่ทรงได้ตัด ส, ส, สินพระทยว่าจะเอาธรรมะอันเลิกอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอน ก็นึกถึงบุคคลที่สามารถที่จะรับธรรมะนี้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก็คือพาาาระอาจารย์สองลูปที่ได้ไปศึกษาวิธีเข้ารูก ป, ประชานกับเข้ารูกประชานพระอาจารย์ทั้งสองลูปที่ท่านจานาญทางรูก ป, ประชานและรูก ป, ประชานแต่ได้ข่าวว่าท่านเพิ่งจากไปองค์หนึ่งก็จากไปเดือนที่แล้วมีองค์นึงเพิ่งจากไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนีงเพราะว่าทงแต่ว่าน่าเสียดาย มาเพราะว่าโอกาสที่ท่านจะได้ไปมัณ น, นิพพานนี้ก็หมดไปสําหรับชาตินี้แล้วก็กว่าที่ท่านประกาศมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาที่พระเจ้าใช้ทรงสร้างขึ้นมานี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่แล้วก็ได้คือหลังจากห้าพันปีไปแล้วก็ไปอยู่เป็นพรหมนี้อาจอยู่เป็นเป็นหมื่นปีก็ได้กว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พ่อในศกแตนว่าน่าเสียดายอันนี้เขพูดเป็นตัวอย่างมาให้พวกเราจะได้ไม่ประมาณกันจังหวะโอกาสที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับแผนที่พบกระมรรคุเทศที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายมันยากยิ่งว่าถูกวัตถุีังวัลที่หนึ่งตอนที่เราเหมือนกับว่าเราได้ถูกวัตถุรังวัลที่หนึ่งแล้ว สิ่งที่เราควรจะทําหลังจากที่เราถูกรางวัลที่หนึ่งก็คือเราเรีบไปขึ้นรางวันก่อนกระตายก่อนตายก่อนที่จะไปขึ้นรางวัลรางวัลก็เลยไม่ได้ถูกรางวัลแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากรางวัลก็กลายเป็นเศร้าของคนอื่นไปกลายเป็นของคนคนที่เขาได้ลดทอนให้ของจากเราไปนั่นนี่คือสิ่งที่เราควรจะทําเำนึงถึงเพื่อจะได้ไม่ประมาทนอนใจ เราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เราแก่กว่านั้นเราใค่ปฏิบัติตอนนี้เราติดภาระติดภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวติดภาร ะ, ระดูแลพ่อแม่กิเลสมันจะสร้างเหตุผลร้อยแปดพันประการมาขวางเราไม่ให้เราออกปฏิบัติเพ้าะการปฏิบัตินี้เป็นการทําลายกิเลสซึ่งกิเลสมันไม่ยอมให้ถูกทําลายงา่ายๆมันก็เลยสร้างเหตุผลต่างๆขึ้นมา ไว้สกัดกั้นการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีปัญญาเราไม่มีความมุ่ง ม, มั่นต่อพระนิพพานจริงๆแล้วก็ยากต่อการที่เราจะออกออกจากภพตายพบนี้ได้ไปสู่พระนิพพานได้เราต้องมีความแน่วแน่มั่นองน่าเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของพระนิพพานยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งพวงที่มีในโลกนี้ เราถึงจะสามารถละสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ได้แต่ถ้ า, ายังเห็นว่าสิ่งต่งางๆในโลกนี้มีคุณค่ามากกับพระนะิญาณเราไม่จะไปไม่ได้เราต้องพยายามพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งต่างๆที่อยในโลกนี้มันเป็นเหมือนฟองนะ้ำมันไม่มีสาระคุณประโยชน์อะไรหรอกมันหลอกเราว่ามีเป็นคุณค่าราคาต่างๆแต่ความจรงิงแล้วมันเมื่อเปรียบเทียบกับ อนิพพานแล้วมันเป็นเหมือนฟ้ากับดินเหมือนเพชรกัก้อนหินมีค่าราคาต่างกันว่าอยากไปลองติดอยู่กับก้อนหินเลยไปหาก้อนเพชรจนดีกว่าไปอนิพพานจนดีกว่าสมมติเราตายไปวันนี้คนที่เราอ้างว่าจะต้องดูแลเขาจะทําไงไปไปสมมุติถามด้วยมง้างไหมไปเกิวันนีคืนดีตายไปวันนี้ แล้วคนที่เรามีความรับผิดชอบจนเท่านี้ดูเขาเลยเขาจะทําะไรต่อไปเพราะว่าต้องอยู่ของเขาไปต่อไปอยู่ได้ด้วยวิธีใด ว, วิธีหนึ่งถ้าเขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเขาได้หาคนมาดูแลตัวเขาไม่ได้เขาก็ต้องไปไปไปจากโลกนี้ตามบาละอยู่ดีเขาก็ต้องตายอยู่ดีพจะตาจะตายเช้าหรือจะตายเย็นเท่านั้นเองให้คิดแบบนี้มากมันจะได้ ไม่ถูกเปลียหลอกให้เราหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้จนทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปให้กับการปฏิบัติ mm hmm. เพื่อให้เราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตาเยเกิดนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำถึง เราเราจะได้ปฏิบัติแเราจะได้ใช้แผนที่หรือใช้มากูเทศที่ยังมีอยู่ในตอนนี้มาช่วยนําทางให้เราได้ไปสู่พรนิพพานกันนะถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่มีผู้นําทางเราก็จะไม่มีวันที่จะไปได้เพราะเราจะเป็นเหมือนคนคนตาบอดหรือคนหลงทางอย่างที่คุณบอกไปหลงทางเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับไปทางไหน อัน น, นนะคือสถานะภาพของมวกเราในขณะนี้เป็นเหมือนคนหลงทางคนตาบอดแต่โชคดีที่ได้มาเจอแผนที่ได้มาเจอมักคุเทศอยู่ที่เราว่าเราจะเรียอช่วยโอกาสอันอันญากดี้ไหมอันยากนะีนก้หรือไม่มีมักคุเทสมีแผนที่แนละ้วรีบเอาแผนที่มาปการดูแล้วรีบออกเดินทางซิ่งตั้งแต่แบบนี้ พ่เวลาขอเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีคชัดเจนเลยครับอาจารย์กลับขอบพระคุณครับผมวันนั้นที่หลงทางมันมันไม่มีทางอื่นให้ไปเลยครับอาจารย์ลงไปทางเดียวแล้วพอลงมาแล้วก็ถึง อ, อีกเมืองหนึ่งเลยครับอาจารย์อย่างดีที่ปลอดภัยอาจารย์รครับก่อนเข้ารายการมีคน ฝากถามครับบอกว่าก า, กาบหลวงพ่อครับลูกขอโอกาสลูกพิจารณาว่าลูกตายบ่อยๆและรู้สึกตัวว่ามีความสุขและเร่งให้ถึงไวๆครับไม่ทราบว่าทําไมถึงคิดถึงความตายบ่อยๆขอโอกาสหลวงพ่อให้แผนที่ทําแก่ลูกด้วยครับก็นั่นแหละเป็นปัญญาของเราที่เราเห็นว่าการที่เราจะาสามารถปฏิบัติทําได้ แทนที่นั้นเราต้องเริ่มนึกถึงความตายเพราะว่าเมื่อเร า, าเริถึงความตายแล้วภ า, าวะผูกพันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็จะหายไปหมดเพราะถ้าเราคิดว่าสมมุติว่าถ้าเราตายในวันนี้แล้วภาระต่างๆที่เรามีอยู่มันมันก็หมดมันมันก็หมดไปคนที่เขาเราเราเป็นภาระเขาก็ต้องหาวิธีอื่นเพื่อดูแลชีวิตของเขาต่อไป ก็ถือว่าเป็นบนในกุศลก้าเราเป็นคนที่ชอบระลึกถึงความตายเยนี่ยเป็นธรรมันประเสริฐมันเป็นธรรมที่จะกระตุ้นให้เราเร่งรีบเร่งทำความเปลี่ยนอย่างที่พระเจ้าสรงสอนบ้านอนว่าอนอน์เธอวรระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายครับหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย อันนี้ความตายอยู่แค่ลมาหายใจเข้าออกนนั้นเองพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมนะื่อนั้นอันนี้รีบรีบรีบทำกิจที่เพิ่งจกระทาเถิดนะส่วนกิจอย่างอื่นนี่มันไม่สําคัญเพราะว่ามันเป็นมันมันมันยังไงมันก็ต้องจบลงอยู่ดีทุกคนก็ต้องจบลงที่ความตายอย่ดีต่อให้เราดูแลก็ดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดเขาก็ต้องไปที่ ไปสู่ความตายด้วยกันทุกคนแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรดีมากน้อยขนาดไห น, นมันก็ไม่มีความหมายเมื่อถึงเวลาตายครับจากคุณกอนกำมลครับอาจารย์ครับถ้าเราจะไปบวชแล้วยกทุกอย่างให้พี่ที่ไม่มีรายได้ในยามชลาจะได้บุญไหมครับได้ให้ใครก็ได้งั้นถ้าเราเสียสละทรัพย์สมบัติ ข, ของของเงินทองที่เป็นของเรานี่ ให้ขายได้บุญหมดเละให้พอให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้ได้บุญนู้นแต่อย่าให้ตอนอย่าให้แบบเขียนขึ้นในกรรมว้อย่างนี้ยังไม่ได้แสดงว่ายังไม่ให้เขี <c oughs> นยนไม่ได้กรรมว่าถ้าตายแล้วก็ไยออกไปถ้าอย่างนี้ไม่ได้บุญเะเพราะว่าตอนที่เราตายเราไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือเปล่า ให้ให้ให้ให้หมดก่อนตายไปเลยครับต้องรู้เราต้องรู้สึกว่าเราได้ให้เราได้เสียสละจากคุณมาลีครับทุกวันนี้ยังสับสนเรื่องการทำบุญใส่บาตรว่าผู้ที่จะได้รับบุญต้องเป็นเปรตแล้วเจตนาบุญที่เราอุทิศให้พ่อแม่จะเป็นการสูญเปล่าไหมคะแล้วเจตนาต้องเปรตอย่างเดียวไหมเจ้าคะก็หมายความว่าเผื่อพ่อแม่เราไปเป็นเปรตนี่ เขาก็จะได้รับคําว่าเปรดก็คือขอทานทางจิตวิญญาณคนที่อยากไร่บุญไม่ขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ไม่เชื่อเริ่มบุญเลยไม่ทําบุญเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของแบรนด์เนมไปทํารนองนี้แทนที่อยามเนไปทําบุญเสียได้เอาไปเที่ยวเดวบ่าเอาไปกินเอาไปเดืม่มเอาไปดูไปฟังอะไรต่างๆพอตายไปก็เลยเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีบุญติดตัวไป มื่ไม่มีมงิติดตัวไปก็เหมือนกับไม่มีเหมือนกับคุณมอไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่มีเงินติดตัวไปคุณหมอจะทำยังไงไปอยู่โรงแรมได้หป่าไปซื้ อ, อาหากินได้หป่าก็ต้องไปอยู่แบบตามค่า ย, ายอบพะยอพเหมือนกันไปอยู่ที่เขาสงเคราะห์คนยากคนจนคนที่ไม่มีจะกินอันนี้ก็แบบเดียวกันพวกที่ไม่มีไม่มีเงิติดตัวไปก็ไปเหมือนพวกคนที่ไปต่างประเทศแต่ที่ไม่มีเงินติดตัวไป เช่นต้งนี้นีภัยสงฆ์แลก็ต้อ ง, ง, งไปอาศัยค่ายอุปยุกของอยู่เองนยของของสาประชาชาชที่เขามีคนเมตตาบริจาคกันมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีรับประทานนี่ก็คือสภาพของดวงบิญญาณของของคนที่ไม่ได้ทําบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่พรไม่เชื่อไงเพราะคิดว่าตายไปก็สวยคนส่วนนึงก็จะไม่เชื่อเรื่องว่า ตายไปแล้วจะมีการไปต่อได้เขามองไปที่ตัวเขาอยู่ที่ร่างกายชีวิตเขาอยู่ที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวเขาไม่เชื่อว่ามีดวงวิญญาณมีอะไรทั้งนั้นเขาเชื่อว่าเมือตายแล้วก็จบไม่มีใครไปรับบุญหรือรับบาปต่อไปพวกนี้แหละที่จะไปเปรตกันอนะถ้าเรานี้ถ้าเราเป็นห่วงเผื่อไว้ว่าเผื่อพ่อแม่ไปเป็นเปรตแล้วก็ทําบุญทิ้งไปแค่นี้ แต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเปรตท่านก็ไม่ต้องมารับแสดงว่าถ้าท่านมีบุญท่านก็ไปเป็นเทพแต่ไม่เป็นเทวดาท่านแต่คุณหมอเนี่ยไปเที่ยวก็เหมือนไปเป็นเทวดาจะ <c oughs> มีเงินติดตัวไปจะกินจะดื่มจะพักอะไรนี่สามารถที่เลือกได้อยู่ที่กําลังทรัพย์ว่ามีมากมน้อยจะใช้แบบโรงนานระดับกี่ดาวก็อยู่ที่กําลังทรัพย์ของคุณหมอนคนที่ทําบุญก็เหมือนกันคนที่ทําบุญก็มีกําลังทรัพย์ที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆได้ มถชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามก็ได้อยู่ที่ทำบุญมากทำบุญน้อยบุญที่ยาวติดตัวไปได้อันนี้คือเรื่องของบุญที่เราทําส่วนที่เราจะส่วนผู้ตายส่วนที่เราจะทําลือดอุทิศไปให้กับคนที่ตายไปแล้วก็ก็แบบเดียวกันบุญที่เราทํานี่เราเราเราแบ่งไว้ส่วนหนึ่งให้กับผู้ไปผู้ตายผู้ลงรับไปแล้วได้ส่วนเขาจะรับหรือไม่นี่อยู่ที่สถานภาพของเขา ถ้าเขาเป็นถ้าเขามีเศรษฐีบุญเขาก็ไม่ยอมรับอย่างสุติว่าถ้าคุณหมอไปไปเที่ยวคราวนี้แล้วเราเปบอกคุณหมอส่งเงินไปให้ค่าร้อยนี่หมอจะรับไหมรับไมอิจฉาเลยคบผมไม่ตั้งรองผมมีตั้งเยอะแยะยังไม่ใช้เถอะนั่นลับากเบา ไม่ได้ทําให้ไม่ได้ไปทําให้สภาพสถานะเงินทองเขาเปลี่ยนไปมากมายนะหรอกหนึงห้าร้อยบาทอันนี้เงินยุดที่ไม่ใช่เป็นเงินจำนวนมากแต่ก็พอเพียงสําหรับคนที่อ่ไม่มีไม่มีเลยมันก็อย่างน้อยก็เอาไปซื้ออาหารได้อะไรได้ดังนั้นเราก็เนื่องจากว่าเราไม่มีญาตที่อย่างทราบได้ว่าพ่อแม่รดที่ตายไปแล้วเขาไปเป็นอะไรเราก็ทําไปตามธรรมเนียม น, นั้นเอง เราทำบุญแล้วก็ อ, อุทีศบุญไปให้ท่านไปเผื่อไว้เผื่อถ้าท่านไปเป็นขอทานท่านจะได้รับบุญส่วนนี้และท่านก็จะได้อยู่อย่างสุขสบายกว่ า, าการที่ไม่ได้รับบุญเท่านี้คุณกิตนาครับแม่แม่ผมตายไปนานๆแล้วจะนามาปฏิบัติอย่างไรครับ ในเรื่องการอุทินบุญเราก็ทําได้เสมอไปเพราะเราไม่รู้ว่าอดวงวิญญาณของท่านนี้อาจจะเบียดสถานภาพได้อาจจะตอนตอน้นอาจจะไปเป็นนูน่นเป็นนี่แล้วอาจจะกลับมาเป็นเปรตทีหลังก็ได้ครับถึงก็ไม่ตามใจที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้ว เ, เรายังทําบุญได้ทุกครั้งที่เราทําบุญแล้วก็อดชินบุญมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้แต่ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการทำบุญอย่างแท้ที่แท้จริงคือเรานะี่ยแหละ เพราะเราต่อไปก็ต้องเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันถ้าเราไม่ทํำเลยนี่เราต่อไปเราก็จะไปเป็นดววิญเป็นขอทานในโลกทิพย์ก็ได้งั้นการทําบุญที่แท้จริงนี่ไม่ได้ทำเพื่อคนที่ลงนับไปแล้วหรอกอันนั้นเป็นผลพลอยได้เมื่อเราทําแล้วเราก็จะได้แบ่งบุญให้กับผู้ที่ลงนับไปแล้วได้แต่ผู้ที่จะได้รับบุญส่วนใหญ่นี้ไม่ใช่ใครก็ตัวเราเองเนี่ยนะผู้ที่กระทำนั่นนะเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งเราต้องยอมต้องยอมนต้องเชื่อว่าตายไแล้วเราจะต้องเป็นกายทิพย์เป็นโวงวิญญาณอยู่ในโลกทิพย์และสิ่งที่จะรอเรานัา้นก็คือบุญที่เราทำในในปัจจุบันนี้เท่านั้นถ้าเราไม่ทำบุนเราก็จะอยู่แบบหิวโหยอยู่แบบเปี่ยอยู่แบบขอทานอาจารย์ครับคำถามนี้ผมอ่านยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับ บอกว่าในกลุ่มเพื่อนชวนไปนอบน้อมตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาช่วงสงกรารพอดีบอกติดทุเลส่วนตัวพอมาวันนี้ญาติเสียมีคนตอบรับเยอะมากจะไปร่วมต้องทําตัวแบบไหนดีครับนี่ทํนานถามนอบน้อมจะไปร่วมทําตัวแบบไหนดีถ้าเป็นงานศพแล้วก็ไปช่วยนายเขาเห็นมีอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยไปมีกําลังทรัพย์แล้วก็ช่วยบริจาคเงิน ให้กับช่วยงานเขาเพราะเขามีค่าใช้ใจ่ายนต่างๆถ้ามีตอนเรามีเวลาว่างมีกําลังกายก็ไปช่วยเป็นเพื่อนให้กับเจาบ้าภาพอาจจะไปช่วยทําอะไรแล้งแต่เจ้าภาพจะใช้เราก็ไปช่วยรับใช้เขาก็ได้ไปร่วมแสดงความเสียใจร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ให้กําลังใจด้วยการการทาความช่วยเหลือต่างๆถ้าที่เราจะช่วยเหลือได้ <c oughs> คุณมาลิสาครับพวกเราเป็นนักเดินทางในวัดต่าสงสารข้ามภพข้ามชาติเป็นแสนล้านภพชาติน้ําตาที่หลั่งออกมามากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ถ้าเราเข้าถึงพระนิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดอีกคือการสิ้นสุดของการเดินทางแล้วจริงหรือเปล่าครับพระอาจารย์ถูกต้องเราถึงบ้านของเราแล้วไหมพระนิพพานคือบ้านบ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการบ้านที่ให้ความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่เราเคยหามา ในแสนคพกา ร, รากล้านภพชาติที่เราได้หามานี้ความสุขจังตาที่เราได้มานี้ซื่อความสุขที่เราได้จากพระนิพพานไม่ได้ <c oughs> คุณเอการาบครับกรุณขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ความกระจ่างเรื่องความสุขทุก์ที่เกิดกับเราเป็นเพราะตัวเราไปอุปท า, านสิ่งต่า ง, างๆใช่ไหมครับหรือเป็นแค่เวทนาที่เรารู้ตัวแล้วก็ต้องปล่อยวางไปครับ คือความสุขทุกนี้มันมีสองชนิดด้วยกันความสุข ท, ที่เกิดจากการสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสพลิ่าที่เข้ามาทางตาหูจมูกมืนกายเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสกลนที่้ามันงตาหมูกมือกายะว่าปีแกลิ่นรก่ี้าเราสัมผัสากาเรารูปเสียงกลิ่นรสกลิที่้ามาทางตมกกเรูปเงกลิ่นรขกลนที่้ามาทาตาหูจมือกยระรูปเสียงกลิ่นรสนที่ไ้มาดีามันมก็เรูปสกิ ก, เ, กขขเวทนาขึ้นมา แล้วถ้าเป็นการก็จะรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นสุขสุขทุกข์แบบหนึ่งที่ไดจากการสัมผัส ผ, ส ผ, ผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายส่วนความสุขทุกข์อีกอย่างนี้เกิดจากการกระทําของเราเช่นการกระทําที่เสียสละแบ่งปันเรียกว่าทําบุญอันนี้ก็จะทําทให้เราเกิดความสุขขึ้นมาอีกอันนี้เป็นความสุขอีกยี่ห้อแบบหนึ่งแล้วความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม ฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะได้ความสุข อ, อีกลูปแบบไม่อานจะไม่ใช่สุขเวทนาสุขที่เกิดจากการกระทำความดีเช่นทำบุญทาทานหรือนั่งสมาธิอันนี้หรือมีปัญญาปล่อยวาง ไ, ไม่ละความอยากต่างๆได้มันก็เป็นความสุขส่วนความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากต่างๆนี่ที่เราอยากเห็นสิ่งนั้นก็ดีเห็นสิ่งนั้น ก็ดีก็อยากได้เป็นมาพอไม่ได้ก็ทุกข์ไม่ได้สิ่งอะไรมาแล้วก็ยึดติดหวงไม่อยากจะให้มันจากออกไปพอมันจากออกไปมันก็ทําให้เราทุกข์อันนี้ก็เป็นความสุขทุกข์กที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเกิดจากการกระทําของเราทําตามกิเลสหรือทำํำตะฝืนกิเลสถ้าตามกิเลสก็จะก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจ ถ้าฝืนกิเลสระงับกิเลสหยุดกิเลสก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจอันนี้เป็ น, ปบบนความสุขในรูปแบบหนึ่งความสุขในรูปแบบนี้เราควบคุมได้เราทําได้แต่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นการนี้เราควบคุมไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของการแปรปรวนอันนี้จากอนัตตาคุณวีนาครับ ขออนย่ญญานเรียนถามผู้อาวุย์หากเราพลาดการเดินทางเราจะทําอย่างไรไม่หลงทางชีวิตคะปัญหาคือเรารู้ว่าเราหลงทางหรือเปล่าปัญหาคือเรามักจะไม่รู้กันว่าเราหลงทางกันเราคิดว่าเรากําลังไปในทางที่ที่ดีเช่นคนที่ทํามหา ก, กินทางโลกแล้วเขาได้ความสุขความเจริญในลาภโยชน์สเสริญเขาก็คิดว่าเขาไปในทางที่ดีแล้วแต่ความจริงมันเป็นทางที่หลงน้อยเปอร์เซนเลยแต่เขาไม่รู้ตัว อันนีต้องศึกษาทางธรรมะก่อนถึงจะทําให้เรารู้ได้ว่าเราเดินทางไปในทิศไหนกันแน่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วมันเราก็จะเห็นทางสองทางได้ชัดเจนทางโลกที่เรียกว่าทางหลวทางแห่งราบนยศสรรเสริญศพนี้ส่วนทางที่ทางสู่การหลุดพ้นก็คือทางแห่งการปฏิบัติทานสีงภาวนานี้ก็เป็นสองทางนี้เท่านั้น คุณอ้อมครับกับน้ำมัสการรายงานการปฏิบัติค่ะอดอาหารแล้วเห็นว่าความอยากต ะ, ะตะทานอาหารก็แค่สังขารความคิดปรุงแต่งผ่านมาแล้วผ่านไปเป็นไตรลักษณ์ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแค่รู้เฉยๆค่ะรอบนี้ได้แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆด้วยค่ะว่างไปเลยค่ะร่างกายไม่ใช่เราแต่ยังมีตัวรู้ค่ะสงกมากค่ะอ่าสําเร็สาธุ ทุกบ่มีปัญญาบอกเกินต้องสร้างความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาคุณจะได้ใช้ปัญญามาแก้ ค, คุณมาธิษาครับถ้าหาเพื่อนร่วมทางไม่ได้เราจะใช้ไอเดียสับสี่หรือมักมีองแปดเป็นเพื่อนร่วมทางได้ไหมเจ้าคะก็เราต้องใช้มักแปดนี่แหละ เ, เ, เป็นแอนที่ในการเดินทาง ถ้าเราไม่มีมังแปรก็ไม่มีระยะสัตว์สีเราก็จะลงทางได้ส่วนคนอื่นนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีถ้าจะมีเพื่อนร่วมทางก็ขอให้เป็นคนที่ก็ารู้ทางดีกว่าเช่นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราไปอยู่ไปศึกษาไปปฏิบัติด้วยเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในทางธรรมคุณนกครับ ขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติแล้วทำไมกลายเป็นคนนิ่งนิ่งไม่ร่าเริงไม่สนุกสนานเกจกรรมที่เคยชอบเช่นเดินป่าเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวตอนนี้มันจืดไปหมดเลยกินอาหารที่อร่อยแต่เรากินแล้วก็นิ่งนิ่งเฉยเฉยก้าวหน้าหรือผิดทางคะคือความจริงเราต้องมีพบกับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าเราพบกับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เราก็จะเห็นว่าความสุขที่ได้าจากการปฏิบัตินี้ มันเหนือวาความสุขที่เราได้จากการทํากิจกรรมต่างๆผานทางร่างกายมันก็เลยจะทําให้จิตใจเราไม่มีความรู้สึกออยินดีกับกิจกรรมทางร่างกายเพราะว่าเรามีความสุขและไ ด, ได้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่ดีกว่าเพะงั้นเราก็จะมุ่งไปทางการปฏิบัติธรรมมากกว่าการไปทํากิจกรรมทางร่างกาย อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าที่เล่ามา น, นี้มีได้พบกับความสง บ, บได้พบกับความสมบูรณจากการปฏิบัติหรือไม่ถ้าได้พบกับความสบูรณจากการปฏิบัติมันก็ถูกต้องแต่ถ้ายังไม่พบว่าความสงบแล้วไม่ล่าเลยมันอาจจะอันนี้ไม่ทราบสาเหตุมอาจจะเป็นคกลนอุบายของกิเลสหรือเปล่าคนไม่รู้เนะ่ยเขาต้องละมัน่นเรา คุณพันทิพย์ครับกลาวนักมัธยารพระอาจารย์เจ้าค่ะจะทําอย่างไรถึงจะลืมผู้มีพระคุณที่จากเราไปเวลาเหนื่อยใจท้อใจก็จะคิดทําให้ร้องไห้ตลอดต้องทําอย่างไรเจ้าค่ะถ้าไม่อยากจะคิดถึงท่านก็ให้เราให้เราสวดมนต์ไปหรือบริกรรมความพุโทโธไปทุกครั้งที่เราคิดถึงอดีตแล้วทาให้เราเศร้านะคราก็หยุดมันได้แต่เรื่องพระคุณนี้เราไม่ต้องไม่ควรจะลืมผู้ที่มีพระคุณกณัที่เราไม่ควรจะลืม แต่ถ้ามันทําให้เราเหนื่อยหรือท้อใจก็อดไว้ก็พักไว้ชั่วข่าขวก่อนได้จนกว่าใจของเราจะมีกําลังพอที่จะรับกับความเป็นจริงได้แล้วต่อไปเวลาเราเลิกถึงผู้มีข้อคุณเราก็จะไม่รู้สึกเศร้าหรือท้อใจแต่ถ้าเรายังรู้สึกเศร้าหรือท้อใจอยู่บาคนจะมัง้ับไวช้ช่วข่าขวก่อนมาง้ับด้วยการสวดมนต์เรือ่องพระเการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได คุณสมพรครับโยมเริ่มนิ่งในใ จ, น, ใจนิ่งใจมีสมาธิมากขึ้นแม้จะอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากมีการพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆหากใจไม่ลอยสติไม่หลุดทำอย่างไรให้จิตมีสมาธิตลอดเวลาครับก็ต้องมีสติตลอดเวลาก็ต้องพยายามใช้ใช้หลักการบริกรรม พ, พุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆห ร, ร, รือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอยู่ตลอด คุณมาริสาถามว่าคนที่ฆ่าคนตายหลายๆคนแล้วใช้ชีวิตได้แบบปกติสุขยิ้มแย้มแ จ, จ่มใสจิตใจของเขาทำด้วยอะไรคระอาจารย์ทช่เขาทำด้วยความหลงนั้เองทำด้วยอวิชชาเขาไม่รู้เรื่อง ค, คุณโทษบาปบนคุณโทษเขาคิงแต่มองที่คนประโยชที่เขาคึ่งจะได้รับเปมนคนที่วันก่อนเห็นมีล่านอาหารอย่้านหนึ่งเขามีของสด พวกของทะเลมา พ, พวกกุ้งก็เนีใส่ใส่ลางมาเลยแล้วมาที่ข้างโต๊ะเลยหน้าที่โต๊ะคนนั้นก็มีมีเตาไว้เผาได้เผากุ้งได้เขาจับขึ้นมาจากลานได้ด้วยตัวเองแล้วก็เผาสดๆร้อนๆต่อหน้าของเขาเขากินอย่างสุขอย่างสบายเนี่ยอันนี้ก็แบบนั้นแหละคน็นลักษณะที่ฆ่าคนก็เหมือนกับคนที่ไปกินของสดๆเนี่ยปลาสดกุ้งสดอะไรต่างๆนี่ ควาจริงมันก็เป็นเหมือนคนนะสัตว์เหล่านี้เขาก็มีมจิตมีใจเหมือนคนเหมือนกันเพียงแต่เราเราไปแยกแย่งมันเป็นสัตว์มันเป็นอาหารของเราเราไปเราไปสมมติขึ้นมาเองแต่ควาจริงถามกุกม้งว่ามันอยากจะเป็นอาหารเราหรือไม่ไไม่อยากจะเป็นอาหารของเราถ้ามันกลับกันถ้าเรามองบูกลับถ้ากุ้งมันมากินเราบ้างเราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมแต่คนไม่มีจิตสำนึกอคนนองแต่เอาประโยชน์ใส่ตัวเองอย่างเดียวอะไรที่ทําให้ตัวเองได้ประโยชน์แล้ว ก็ถือว่าโอเคคนแบบนี้ก็คือแบบเป็นคนที่ไม่มีจิตสำนึกในเรื่องบุญบาปบุณโทษคุณสาลีบอกว่านอนหลับฝันว่าหลงทางบ่อยมากค่ะไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรครับก็คงไม่มีไม่มีเป้าหมายไม่มีไม่มีแผนที่เมื่อลรหลงทางเรือเนยไม่รู้จะไปได้ทางทิศไหนอาจจะยังสับสนอยู่ทั้งโลกก็อยากจะไปทางทางว่อยากจะไป คุณเพชรครับการนมัสการพระอาจารย์เจอพระปากกรรมฐานครั้งแรกแล้วถวายเงินใส่ซองให้ท่านจับโดยตรงโดยไม่มีเจตนาและถวายด้วยความไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไรครับเมื่อคราวหน้าอย่าทําอีกแล้วกันเรารูวา้ว่าไม่ควรจะทําแล้วก็ไม่ควรจะถวายเงินกับท่านท่านานึ่งทาท่านให้มีลูกศิษย์ ม, มารับให้ก็ไม่ต้องถวายถวายแต่ข้าวของใส่บาตรนีร่ อ, อะไรไปครับพอ คุณสมพรครับการปฏิบัติต่อพ่อแม่เปรียบเหมือนการปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าข อ, ขอความกระจ่างชัดตรงส่วนนี้จากอาจารย์ด้วยครับคือพ่อแม่มีพระคุณเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีพระคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณกับเพราะเราทั้งหน้าจิตใจให้เราได้ให้เราได้เกิดใหม่ในที่ในพระนิพพานส่วนพ่อแม่ของเราก็ให้ให้กําเนิดให้ร่างกายเราทั้งท่านทั้งสองนี้ก็เปรียบเหมือนท่านมีพระคุณพอ่อพอกับ พระพุทธเจ้าหรืพอาหารทั้งหลายนี้เราก็ต้องคนที่จะเคารพพ่อแม่บริรร เ, เราเร า, าเรพรรรรรรรรรรารรารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรบรรรรรรรรรรรรรรรรรรรบรรรรรรรรรรรรรรร สติปัฏฐานสี่นี่เป็นคำสอนที่พระเจ้าทรงแสดงให้กับพระภิกษุนักบวชถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องสีเรื่องทานเลยแค่พูดแต่เรื่องการภาวนาเท่านั้นเองในสติปัฏฐานสีสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเนื้อทางสั้นที่สุดก็คือสติปัฏฐานสี่ในการจะปฏิบัติปฏิสติปัฏฐานสีน่ได้อย่างเต็มที่ก็ต้องเป็นนักบวช เขาะจะได้มีเวลาเต็นที่ให้กับการปฏิบัติถ้าเป็นนักบวชแล้วปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่ได้พระพุทธเจ้าก็รับประกันเลยถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็เดือนก็เจ็ดปีอันนี้สั้นที่สุดนะเบลที่สุดนะคุณนารินครับหากเราจะสวดเจริญพระพุทธมนต์ในโรงแรมหรือในรีสอร์ทที่เราไปพักจะเป็นการสมควรหรือไม่ครับ ถ้าเราสวดไปภายในใจก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยถ้าสวดออกเสียงคนก็อาจจะทางโลกก็อาจจะตําหนิเราได้มาสวดมนต์ในที่สลธารที่ไม่ควรจะสวดแต่การสวดจริงๆเป็นการปฏิบัติเป็นการเจริญสติซึ่งเราสามารถทําได้ทุกแห่งทุกคนแม้แต่อยู่ในห้องน้ําก็ทําได้เพราะเราต้องเจริญสติทุกทุกอิริยาบถทุกเวลานั่นเองเนื่องถ้าเราสวดเพื่อเป็นการเจริญ จรรรนสต้นี้เราสามารถสอนได้ทุกแขกทุกคนสมาัตสมาัตที่เราปฏิบัติอยู่เนะี่ยตอนที่เราออกจากนะั้นแล้วปฏิบัติทําอยู่ที่บ้านแย่นั้นนานทีบางทีก็มีเพื่อนมาชวนมาชวนให้ไปเป็นเพื่อนอนะ่ะก็อยากจะไปอาบนวดแล้วก็บเราไปได้แต่เราจะไม่เข้าเข้าไปข้างในลเราจะนั่งอยู่ที่ที่จอดรถนะนั่งอยู่ในรถนอนนอนอย่างเราก็นั่งสมาธิไปอยู่ในที่จอดรถ แต่ก็ยังไปเป็นเพื่อนให้เพื่อนอยู่อาจะรยไม่อยากจะเสียเสียเพื่อนบางทีก็ยังเกลิ้มใจอยู่ก็ อ, อยากจะมีเพื่อนไปดนะ้วยเข้าเข้าไป <c oughs> แต่พอเราไม่เข้าไปนะเราจะนั่งรออยู่ที่ที่หนรถช้างรอกในขณบที่นั่งรอก็เราก็นั่งสมาธิไปดูลมหายใจก็ออกไปครับ <c oughs> ปฏิบัติได้ทุกที่เลยนะครับอาจารย์ ถ้ามันปฏิบัติเป็นแล้วมันปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแต่ว่าผลได้มากน้อยแตก่างกันนิดหนึ่ง ค, คุณสมพรครับหากจะดูความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมให้ดูกันที่ตรงไหนว่าเราปฏิบัติธรรมก้าวหน้าครับมันดูที่ใจเราดูที่ไหนดูที่ใจเราสงบมากขึ้นหรือเปล่าเย็นมากขึ้นอย่างที่คุณเล่ามาเมื่อกี้ตอนนี้ใจคุณเย็นขึ้นนะตั้งมั่นได้มากขึ้นนไม่เผลออะไร น, นี้แหะคุณดูที่ใจเราเป็นหลักมาเรามีความสงบ ม, มากขึ้นมีความสุขใจมากขึ้นหรือเปล่าความโลภความอยากต่างๆน้อยลงไปหรือเปล่าความโกรธอารมณ์ต่างๆเบาลงหรือเปล่าอันนี้ดูที่ใจเราเนี่ยเป็นเป็นตัวที่จะบอกเาว่าเราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าถ้าใครก็หนาเราเราเฉยได้หรือเปล่าดูตรงนี้ก็แล้วกันคุณสมพรครับ การเป็นคนโสดกับการเป็นคนสร้างครอบครัวของตัวเองมีความดีเด่นข้อด้อยต่างกันอย่างไรครับโยมเป็นคนโสดครับก็ อ, อ, อยู่ที่ว่าเราต้องการไปทางไหนถ้าไปทางธรรมเป็นโสดมันดีกว่าเพราะเราจะได้ไม่มีภาระไม่ต้องเสียเวลากับการไปดูแลรับผิดชอบคนอื่นเราก็จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเราเป็นคน ถ้าท่าต้องการอยู่ทางโลกหาความสุขแบบทางโลกเราก็ต้องมีต้องมีคนรอบข้างเราให้ความสุขกับเราเพราะถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ยังรู้สึกเหางารู้สึกว่าไม่ได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณต้องการจะไปทำไหนถ้าไปทำธรรมก็เป็นส่วนอันดีที่สุดถ้าไปทำโล ก, กมีคู่ด้มันก็ดีมันก็มีครอบครัวมันก็ทำให้เรามีเพื่อนมีอะไรต่าง อย่างคุณบอกนี่ก็มีครอบกลัวใชยไม่โีโรกมีอะไรแต่ท่านจะปฏิบัติธรรมก็ยากหน่อยคุณวิไลครับเมื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะต้องไปรับบุญหรือบาปนั้นแต่ทำไมยังมีหลายคนเมื่อตายไปแล้วยังวนเวียนให้เห็นภายในบ้านครับในช่วงแรกๆอาจจะยังยังไม่ได้ไปก็ได้เพราะยังมีความผูกพันมีอุปทานมีความหวงใ ไอแรงของประทานนี้บาีมันมันมากกว่ากําลังของบุญหรือบาตที่ที่จะดึงให้ไปรับผลบุญหรือบาก็เลยยังวนเวนอยู่สักระยนะแต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อรู้ว่าไม่สามารถที่จะทำะไรายได้ครับอุปกรณที่เราห่วงใหญ่แนละ้วก็อาจจะความว่วงใยหรือความผูกพันก็จะอ่อนกําลังลงแล้วตอนนั้นกําลังของบุญหรือบาตก็จะเป็นผู้อ่อ่างไป นำดวงวิญญาณนั้นไปรับผลบุญผลบาปต่อไปก็มีนิทานนั่นที่ในสมัยพุทธการมีพระท่านท่านนักจีวรท่านมากเนี่ยเวลาที่ท่านตายไปท่านก็กลับมาเป็นตัวเลนตัวเลนไม่ทราบเป็นอะไรเป็นอะไรมาแล้วท่นแล้วก็มาเกาะติดมาเกาะที่พ้าจีวอของท่านที่ท่านท่านรักท่านหวงพระเจ้าเห็นเแล้วท่านก็บอกว่าเออพระอย่าเพิ่เราจีวอนคนนี้ไปใช้นะ เป็นธรรมเนียมสมัยก่อนนะหาผ้าหาผ้ายากใช่ไหมถ้าเกิดผ้าตายไปแล้วผ้าของท่านยังดีอยู่ก็ให้ผ้าที่อยู่อไปใช้ต่อได้แต่ท่านเราก็อันนี้่าพระเจ้าบอกว่ า, า, อ, วาอยากเพิ่งเอาไปใช้เจ้าของก็ยังยังไม่ปล่อยเจ้าของเขายังมามายื ด, ดติดงอยู่แลหลังจากที่เห็นว่าตัวแรงน้ำตายไปแล้วทพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าตอนนี้เอาไปใช้ได้แล้วเพราะว่า ดวงวิญายเข้าไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วเพราะเขารู้ว่ากลับมาเขาก็ไม่สามารถรับทํารับประโยชน์จากภาพของเขาได้เล้วก็เลยไปนับผลบุญผลบาปของเขาต่อไปคุณสีลิรักษณ์ครับลงทางเราก็สามารถย้อนกลับมาทางเดิมและตั้งต้นใหม่ได้อ่ออันนี้ไม่ใช่อันนี้คอมเมนต์ครับอาจารย์ก็ไม่ได้บางทีเป็น โมดีลืมมันต้นต้นทางเป็นยังไงก็ได้พอมันหลงจริงๆแล้วมันลืมไปหมดแต่ก็ถ้ากลับมาได้ก็ดีคุณคณิศรนครับขอโอกาสเรียนถามท่านอาจารย์ครับผมเริ่มฝึกภาวนาตั้งแต่ปีสอง0สามูนย์ได้รับผลในระดับหนึ่งในขั้นชานหลังจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งผมดื่มน้ำแล้วสำลักน้ำหายใจไม่ได้เลยรู้ตัวว่ากำลังจะตาย แตจิตเกิดรวมเป็นหนึ่งและกลับไม่กลัวความตายตรงหน้าเลยมีสติตลอดจนกระทั่งเริ่มหายใจได้ขอากลับยนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าวันหนึ่งผมต้องตายจริงๆอาการจะเป็นเช่นนี้มีสติเช่นนี้ไหมครับวันนี้เราก็ไม่กล้ารับประกาศมันก็อยู่ที่เรามาเราจะสามารถที่จะอะทําแบบที่เคยทำได้หรือไม่ก็ทําไมไม่ซ้อมซ้อมไม่ก่อนซ้อมตายไว้ก่อน ถาไปอยู่ในสภาพที่เหมือนกับกำลังจะตายหรือนั่นคือว่าเราจะทําได้เหมือนที่เราเคยทําได้หรือเปล่าอาจารย์ครับแต่อาการแบบนี้ก่อนตายนี่คือถูกต้องแล้วใช่ไหมครับก็ต<อ>แต่แต่ตละคนเนี่ย ค, คือเป้าหมายก็คือให้เราปล่อยร่างกายและให้เราเทําใจให้สงบเฉยเฉยอย่าไปเตือนเตือนตนตืนตนตนตน่ตืนเต้นตกใจหรืออย่าไปอยากให้มัน อ, อ ให้มันฟื้นขึ้นมาอยากไม่ให้มันตายในตอนที่ทำมันที่เยาวก็สร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความทรมานให้กับใจแต่ถ้าเรามีสติแล้ววางเฉยเสียมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้มันก็อาจจะทําให้ใจเราสงบเราจะพอใจเราสงบเราไม่ไปทาอะไรให้กระทบกระเทือนกับร่างกายร่างกายที่มันยังมีโอกาสจะฟืน้นได้มันก็จะฟื้นกลับขึ้นขึขน้นมา คุณมาริษาครับทรับทางโลกคือการกอบโกยเข้าหาตัวเองให้มากขึ้นแต่รับทางธรรมคือการสละออกบางคนกลัวอดตายควรจะวางใจอย่างไรครับาอาจารย์ก็เก็บไว้บ้านเด็กคนที่เราต้องินเเก็บไว้ไม่ให้เข้าหมดคุณสมพรครับในทางจิตใจโยมปฏิบัติที่วัดยานอยู่ตลอดเวลา ใจโยมนะครับมาปฏิบัติที่วัดยานตลอดเวลาแต่ในทางปฏิบัติต้องยอมรับว่าความจริงว่าโยมต้องมีภาระกิจหลักต้องปฏิบัติจึงต้องเลือกปฏิบัติกิจหลักเสมือนหางวิ่งรอกอยู่ใกล้ๆกับวัดยานจะวิ่งรอกโยมอยู่ที่ปัตตานีแต่ใจจริงทางจิตใจถือจะมาถือศีลแปปฏิบัติธรรมอยูีวัดยานอยู่เนือ ง, งเสมือนทางธรรมก็จะมาจะมีวัดยาณอยู่ในใจตลอดอย่างนี้แสดงว่าโยมมีจิตใจมาทางปฏิบัติใช่หรือไม่ครับ มีแต่มันยังไม่ไม่ไม่เต็มร้อยนะถ้ามันเต็มร้อยมันต้องมันต้องมาจริงๆอันนี้เพียงแต่คิดถึงคิดเฉยๆยังไม่ถือว่าอ่ายังไม่เต็มรูปแบบพ้อยากเต็มรูปแบบเมื่อคิดแล้วก็ต้องทําตามที่เราคิดก็คือต้องมาอยู่ที่วัดงานมาปฏิบัติธรรมที่วัดงาน คุณสีชัยว ร, รมันครับพระอาจารย์มีการศึกษาสูงจบวิศวะจากอเมริกาพร้อมทั้งได้รู้ได้เที่ยวไปในประเทศทางตะวันตกที่จเจริญกว่าประเทศไทยแต่พระอาจารย์กลับสละทางโลกได้อย่างง่ายดายขอพระอาจารย์พิจารณาได้อย่างไรครับมันไม่มีมันไม่มีอะไรมันเหมือนกันนะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความแตกต่างกันถึงไม้จะเจริญมันก็เจริญทางหน้าวัตถุซึ่งไม่ได้สามารถมาทําให้จิตใจของเรานี่มีความสุข มีความสงบหรือปราศจากความทุกข์ได้มันก็เลยเห็นว่าทางโลกนี้ไ ม, ไม่ไม่ใช่คําตอบสําหรับการพ้นทุกข์ถ้าอยากจะพ้นทุกข์นี้ต้องไปทางธรรมพอได้ศึกษาธรรมแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วว่าต้องไปทางนี้จิงท่านต้องการที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆเพราะว่าตอนที่ไปเที่ยวตอนที่ไปทําอะไรถึงไม่ได้ความสุขมันก็เป็นความสุขชัว่วคราพอพอกลับมาบ้านกลับมาเจอกับ สภาพที่จะต้องดิบนอนต่อสู้เหมือนันความสุขหล่า น, นั้นก็หายไปหมดต้องทํามาหากินต้องหางานทําต้องอะไรรื้อปากเร่งท้องมันก็ทําให้ความสุขต่างๆที่ที่ได้จากการไปเที่ยวจากการไปเห็นอะไรต่างๆมันก็หายไปหมดการมาเจอกับสภาพความเป็นจริงของชีวิตคือต้องดิบนอนต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆอาจารย์ครับปัญญาอย่างนี้เป็นบา ร, รมีที่สะสมมาแล้ก็ครับอาจารย์ แต่ว่าเป็นมันก็ต้องมีส่วนนี่เพราะว่ามันอยู่ในเดนมันถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกแล้วมันรู้ของมันขึ้นมาเองก็แสดงว่ามันคงจะได้สะสมมาในอดีต ค, ค, คุณพัชรครับกาพ้าจารย์ค่ะถามถ้าพ่อแม่ตายายผู้มีพระคุณเสียแล้วเราตั้งใจใส่บาตนั่งสมาธิแผ่บุญให้ท่านได้รับไหมคะถ้าใส่บาตรก็ได้อยู่แต่นั่งสมาธินี่ยังไม่ได้ค ว่าการนั่งสมาธิของเรานี้ยังไม่เกิดผลที่จะสามารถทิ้บุญนั้นได้เพรงั้นถ้าอยากโยนทิ้งบุญให้ใส่บาตร ท, ทา ท, ทานคุณลุงี่วาครับกราบนักวิชการพระอาจารย์เจ้าขา่าลูกใส่บาต ท, ทุกวันในตอนเช้าแต่ลูกจะชอบใส่ปัดใจเจ้าขา่าอย่างนี้ลูกจะบาปไหมเจ้าคะคนให้ไม่บาปแต่คนรับเนี่ยแล้วแต่ว่าเข้าจา มีกฎกติกาย่งไรเพราะสมัยนี้พระบางสํานักท่กานก็อนุ ญ, ญาตให้รับปัจจัยได้เสํานักท่กานก็ยังไม่ให้รับปัจจัยต้องให้ลูกศิษย์รับแทนเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่พระแต่คนให้นี่ไม่บาปคนให้ก็ได้บุญอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไปทําให้คนรับนี่เขาทาให้ถูกกฎกติกาของของพระเท่านั้นเอ คุณประชาครับถ้ามีคนมาซื้อเสียงเอาเงินให้เลือกเราและบอกให้เลือกคนนั้นคนนี้เราก็รับเงินไม่อยากปฏิเสธโต๊เถียงแล้วสุดท้ายเราไม่ไปเลือกคนที่เขาบอกมาคิดว่าเป็นคนไม่ดีแบบนี้เราผิดศีลและบาปหรือไม่ครับก็เรารับปากเขาไว้ไม่ปากว่าจะเลือกเขาคีอยู่ที่เรารับพูดไว้หรือเปล่าถ้า เ, เาใงินเราแต่เราไม่ได้รับปากว่าั้นจะไปเลือกเขาก็มันก็ไม่ผิด คุณนารินครับถ้าเราจะสวดพระอภิธรรมอยู่ที่บ้านเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นหรอกควรได้ทุกแห่งทุกอนวันร้องที่ไหนก็ได้ที่ไหนที่พอเรามีเวลาว่าแต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะสวดภายในใจอย่างดีกว่าจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นหรือ ว, ว่าเป็นสร้างภาพที่ไม่ไมอาจจะไม่ถูกถูกลักษณะ ข, ของการการสวดคือคนก็อาจจะคิดว่าเวลาจะสวดวันนี้ต้องสวดในห้องพระหรือสวดในวัดในศาลาเหล่านี้ อเรามานันนน่งสวดในในรถในรถเมลอะไรนี้มัก็อาจจะปิดการละเทศะแต่ถ้าเราสวดไปภายในใจก็จะไม่มีใครรู้ถ้าเราสวดไปภายในใจสวดได้ทุงแห่งทุกคนถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติคุณมาริษาครับคนที่ตายแล้วตกไปในอบายเท่ากับดินในปัตตพีส่วนคนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับดินเท่าปเล็บ คิดว่าผู้ที่ฟังทำในตอนนี้อาจจะมีประมาณหนึ่งถึงสองคนที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์จริงไหมครับผู้อาจารย์ที่เราก็ไม่อยากที่จะไปสนใจไม่ใช่เรื่องของเราสนใจแต่ตัวเราคนเดียวว่าพอว่าเราจะไปอาบายหรือไม่วิธีจะไม่ไปอาบายก็คือละอาบาัยอนุกล้วก็อยากทําบาปเราพยายามทําบุญให้มากมากกว่าการทําทบาปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปอาบายกัน คุณเจพีครับการรมศการพระอาจารย์ขอเรียนถามเกี่ยวกับจิตสุดท้ายก่อนตายของผู้ป่วยจิตตะเพศที่ชอบฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ตายโดยไม่ได้รู้สึกผิดใดๆจิตหลังตายเขาจะไปยังภพภูมิไหนหรือจัะคะก็อยู่กับกำลังของบาปกับบุญที่เขาทำไวนะ้นั่นแหละว่าส่วนไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากากว่าเขาก็ต้องไปอบาย ถ้าบุญมีกาลังมากกว่าบาปเขาก็จะเขาก็ไปสวรรได้นั่นอยู่ที่อยู่ที่กําลังของบุญหรือบาปที่จะมาเป็นผู้ที่จะมาแย่งเอาโดวงญญาณไปฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝายนั้นก็จะดึงไปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมาตั้งท่าในในจิตสุดท้ายเราทำไม่ได้หรอกจิตสุดท้ายมาปรับจิตสุดท้ายให้เป็นสวรรค์ขึ้นมาให้เป็นบุญขึ้นมันทาไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่พิเศษจริงๆคือมาปรับใจให้เป็นนิพพานอย่างนี้ทำใจให้ไ ป, ไปละละละความอยากทั้งหลายทั้งหมดได้อย่างพ่อขององะเจ้างนี้ก็มาบรรลุานได้ภายในเจ็ดวันก่อนตายแต่ก็เป็นกรณีที่ไม่ใช่บรณีทั่วไป คุณสมพรครับโยมเกิดมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่เองก็ยากจนแสดงว่าโยมไม่ค่อยได้ทําบุญให้ทานในปางก่อนหรือเปล่าครับก็ไม่น่าเสมอไปนะเพราะว่าการที่เรามาเกิดมายากจนนี้มันมันไม่ใชเ่เฉพาะว่าเราไม่ได้ทําบุญอย่างเดียวมันก็อาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นด้วยซึก็เราก็ไม่ควรไปกังวลสิ่งที่เราควรจะทําว่าก็คือจะทำไงให้เราพ้นจากความยากจน หรืออาจจะใช้ความยากจนนี้มาให้เป็นประโยชน์กับเราก็ได้เพราะถ้าเรามองในทางทำแล้วความยากจนนี้กับกับจะเ อ, อื้อต่อการที่ที่ทําให้เราได้ไปปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรายากจนเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องโผล่ต้องห่วงก็อาจจะทําให้เราถ้าเราได้สัมผัสกับธรรมะเราก็สามารถไปหลุดได้ทัน ท, ทีเลยซึ่งสังเกตอยู่เนีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุธรรมนี่สว่วนใหญ่ท่านเป็นคนยากจน ถ้าเป็นลูกชาวนาชาวนาชาวาไร่กันให้มีทรัพย์สินอะไรที่ต้องคอยดูแลถ้าเกิดเป็นลูกเศรษฐีขึ้นมานี้ถึงแม้อยากจะไปบวชก็อาจจะไปไม่ได้พ่อแม่บอกไปได้ยังไงแล้วขยันดูแลทรัพย์สินสมบัติที่พ่อแม่หาไว้ให้งั้นถ้าเรามองในทางทรรแล้วการที่เรามาเกิดเป็นคนยากจากนนี้ก็จะถือว่าเป็นบุญจะมากกว่าเป็นประโยชน์มากกว่ามากกว่าการที่จะเกิดมาเป็นลูกของเศรษฐี าการที่กัดมันรเป็นเศรษฐีนี่ถ้าจะไปบวชจะ่มันต้องมันต้องคิดดักนเพราะว่าจะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปยังไม่ต้องกังวลเรื่องการเรายากจนหรือไม่ยากจนดูดูที่ว่าเราสามารถนาทำประโยชน์จากมันได้หรือไม่จะดีกว่าคุณอภิสลาครับ เขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาสวดมนต์ภาวนาเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลออกไปร่างกายจะมีความรู้สึกว่าขนลุกบางทีก็เกิดที่ศีรษะบางทีก็เกิดที่แขนหรือตามตัวเกิดจากอะไรเจ้าค่ะเป็นจากอุปท า, ยานยายลาภวิญญาณเป็นเครื่องมืออุปทานสร้างความรู้สึกมาหลอกลเราเหมือนกับเด็กที่เจอเจอดาราที่โปรเนี่ยพอเจอปั๊บก็บปรีช ข, ขึ้นขึ้นมาน้ำตาไหลไออกมามันก็เป็นอุปทานอย่างนึง มุ่งเจ็บทิ้งสร้างขึ้นมาคุณปุ้ยครับเทวดาที่ไม่มีวิมานเพราะไม่ได้ทําบุญคือถ้าเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้บริจาคทําบุญพอตายไปเมื่อได้ไปเป็นเทวดาเราจะไม่มีที่อยู่เลยคะตอนนี้นั่งสมาธิแล้วเฝ้าดูใจตัวเองบ่อยๆขึ้นคะ่ะถ้านั่งสมาธิจนได้ฌานเราก็จะไปอยู่ในในสวรรค์ชั้นพรหมไม่ได้ไปเป็นเทพ อย่าเป็นชั้นพรหมแต่ถ้าเรายังไม่ได้นะยังไม่ได้ฌานยังหลัดแล้วเราไม่ได้ทําบุญแล้วก็อาจจะเป็นแล้วก็อาจจะเป็นโงมิญญาณที่ลอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราไม่ได้ทําบาลด้วยนะถ้าบาปทําบาปบาปอาจจะเดินเราไปเกิดในอบายสมมติว่าทําบาปแล้วก็ไม่ได้ทําบุญแล้วก็ไม่ทําเมื่อ เมื่อเชนั้นเราก็จะมาเป็นเราก็จะมาเป็นยมยวญญาณรอรอเกิดเป็นมนุษย์เท่าั้นเองคุณวันเพนครับลูกระลึกถึงความตายบ่อยเพื่อปล่อยวางเรื่องลูกไม่มีห่วงผูกพันกับผู้อื่นและสิ่งของพยายามฝึกและสั่งสมบูรณ์กุศลเพื่อเป็นสเบียงติดตัวไปทุกอย่างในโลกชั่วคราวกราบพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องอธิษฐานบารมีเจ้าค่ะอธิษฐานคือแปลว่าความตั้งใจที่จะทาอะไรอย่างไร อย่านนี้ก็ให้อธิษฐานว่าจะพยายามฝึกและสะสมบุญกุศลให้มากที่สุดอันนีแบบ้คือความหมายของอธิษฐานอธิษฐาน ท, งทงางทางศาสนานี่แปลว่าความตั้งใจความตั้งใจที่จะทําทอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานที่เราเข้าใจกันว่าเป็นการขอขอให้ได้นู่น่อให้ได้นี่อันนี้ไม่ใช่ความหมายของอธิษฐานในอธิษฐานบา อธิษฐานบรารมีก็คือการกำหนดเป้าหมายของชีวิตของเราว่าเราจะต้องการจะเดินไปในทิศทางไหนนี่เราจะกำหนวดว่าเราจะสะสมบุญดุสสนเพื่อเป็นสมยงนติตดดัวไปอันนี้อันนี้แหะเรียกว่าเป็นอธิษฐานคุณเล็กครับ การเปียนถามเจ้าค่ะถ้าคนที่เรารักกําลังจะจากไปเราควรพูดกับคุณแม่อย่างไรในวาระสุดท้ายให้คุณแม่ไปสบายใจหมดห่วงคะมันก็ยากนะอก็อยู่ที่ว่าคุณแม่เขาอยากจะฟังอะไรเน่ก็คุยกับคุณแม่อยูเลยถามคุณแม่ว่าเป็นอย่างไรอะไรคุยกันไปสนแสดงออกเราสิ่งที่เราควรจะทํ า, ทาก็คือสนแสดงความกตัญญูความรักความเคารพ ความบงายเป็น ส, ส, สิ่งที่เราควรจะทําทแต่ถ้าเร า, เราคิดว่าคุณแม่ไม่อยากจะได้ยินได้ฟังเราพูดอะไรก็อยากไปพูดเพราะบางทีคนอยู่ในวาระสุดท้ายอยากจะทําใจให้สงบก็ไม่อยากจะให้ใครมาพูดมาคุยนอกปวดใจน็อกปวดการทําใจให้สงบก็ได้อย่างหลวงตาหมาบัท่านก็นเคยสั่งไว้ว่าเวลาวาระสุดท้ายของชีวิต ท, ท, ท่านบอกว่าใครอยามากระซิบ ท, ที่ก้างหูให้สวดมนต์ ให้พูดโทให้ทำํทำนู่นทานี่อย่ามารบกวนท่ากนกาลังจะทําภารกิจของท่านวาระสุดท้ายของชีวิตท่านกำลงการสมาธิท่านกำการสติไม่ต้องการให้ใครมารบกวนสมาธิของท่านเห็นถ้ า, ถ, าถ้าเขาไม่เรียกร้องให้ไปคุยด้วยก็ยังไม่ต้องไปทําหน้าที่ของโลกที่ดีหาหาหน้าหาข้าวมาเลี้ยงท่านก็พอแล้วก็ค่อยถามท่านวาท่านขาดหรืออะไรต้องการให้ทําอะไรหรือไม่ก็พอ คุณวิไลครับการที่มีพระและติดตามด้วยเด็กหรือผู้หญิงมาเรียร์ลายผ้าป่ามาจากต่างจังหวัดที่ไม่รู้จักควรทําแล้วคิดว่าเป็นทานหรือไม่ควรทําเพราะเป็นการส่งเสริมวิชาชีพทําอย่างไรครับถ้าเกี่ยว่าเป็นวิชาชีพก็ไม่ควรทำถ้าเกี่ยว่าเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวัดจริงๆแนละมีการมาถึงแม้ถึงแม้มจะเป็นวัดจริงๆมาเรียรายก็ไม่เหมาะสม เพราะพระมติชาท่านห้ามไม่ให้ภาพมาเรืยมาขอจากคนที่ไม่รู้จักดังนั้นท่านการมาเรื่อยนี้เราไม่ไม่ทำํำทำไปก็ไม่ไม่เสียหายทางไหนถ้าเราต้องการจะทําบุญทำทานเราค่อยไปหาวัดที่เรามีศรัทธาแล้วไปทําที่นั่นแล้วแทนก็ได้คุณนัดว่ะไลพันธ์ครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วฆ่าตัวตายบาปไหมครับบาปการฆ่าตัวตายก็บับบาป คบคุณสันนิตราครับบุญจากการสวดมนต์นั่งสมาธิสามารถอุทิศให้บุปผาภรีหรือคนที่เรารัก ท, ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วได้ไหมครับถ้ามันถ้ามันเกิดผลก็ได้ถ้ายังไม่เกิดผลนั่งสมาธิล้วจิตไม่รวมเป็นสมาธิมันก็ยังไม่มีผลที่จะไปอุทิศไปยังไม่มีบุที่ยกจะไปต้องให้จิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมาก่อน พระพุธเจ้าถึงไม่ได้สอนให้เราทิ้งบุญด้วยการนั่งสมาธิเพราะมันยากวิธีง่ายๆก็คือให้ทำบุญใส่บาตรถวายสัมฆทานอะไทั้งนั้นนีเพอทำปุ๊บได้ปั๊บเลย เ, เหมือนฟาสฟูด <c oughs> ไม่เหมือนแบบไปทำกับข้าวเองทำกับข้าวเองต้องไปซือซ้อกับซื้อไปซื้อผักซื้อเนื้ อ, อไปทำอะไรกว่าจะได้มานี่อาจจะไม่ทันการ คุณสมพรครับการทําบุญทําทานต้องไม่ควรเกินกําลังเพราะหากทาบุญทําทานเกินกําลังตัวเองก็จะเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจแทนที่จะได้บุญกลับไม่ได้อะไรอันเกิดจากการทําบุญทําทานเกินจิตใจตัวเองที่จะสูส้ที่จะรับไหวการทําบุญทําทานจึงควรยึดจิตใจตัวเองเป็นหลักยึดหลักสายกลางคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ก็ก็แล้วแต่กําล้งแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกัน คนเขายินดีทําด้วยเกินกาลังของเขาก็ามีพระเวชสันดานนี่นะก็ทําเกยกําลังก็มีแต่วันนี้ก็เรื่องของศรัทธาของแต่ละคนก็แล้วกันท่านท่นก็ไม่อยากจพูดว่าคนจะเป็นอย่างไหอย่างไรคุณโซฟาโซกูตครับโดนเร่งรถแล้วเบรกใส่ขณะอุ้มลูกเขาผูกใจเจ็บเพราะผมไม่ให้จอดรถปิดหน้าบ้านผม อยากเอาคืนแต่ได้ฟังท่านพระอาจารย์เทศวันถัดไปต้องเลือกว่าจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อท่านพระอาจารย์สุดท้ายเชื่อคําท่านพระอาจารย์ครับไม่ทํำบาปเก่าเวรต่อครับก็ดีจะได้ไม่มีเวรมีกรรมใจเราก็จะสงบไม่ต้องมากังวลถ้าเราไปทําร้ายเขาเรื่องไปต่อทําอะไรให้เขาไม่พอใจคขาก็อาจะมาทําร้ายเราอีกครั้งต่อไปก็ได้เพรเราไม่ทําอะไรทุกอย่างก็ยุติลง คุณพีติดนานครับตอนนี้สามีป่วยหนักรู้สึกทุกข์มากกับการที่ต้องจัดการทั้งเรื่องสามีที่ป่วยอยู่และการจัดการเรื่องการงานค่ะมีหนทางออกจากทุกข์อย่างไรคะก็อย่าไปต่อต้านงานที่เราต้องทําเลยต้องปรับใจว่ามันเป็นหน้าที่ของเราแล้วทำให้ดีที่สุดยินดีกับการทําหน้าที่ของเราไปที่เราทุกข์เราเราไม่อยากจะทำํำความอยากอย่างนี้ คุณเอดาครับโยมชอบทําบุญใส่บาตรด้วยปัจจัยสกับครูบาอาจารย์เพราะคิดว่าจะไม่พบเจอท่านอีกแล้วในวัดตาสงสารและอันนี้สงฆ์จะเยอะเพราะปัจจัยสี่ทำให้ท่านดํารงธาตุขันที่ยังสามารถทําประโยชน์แก่คนหมู่มากได้โยมคิดถูกไหมคะก็ทําได้เพราะว่าการถวายปัจจัยสี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพโยมมีความพอใจที่จะถวายปัจจัยสีก็ถวายได้ คุณศิริรักษ์ถามคล้ายๆคนที่เคยถามแล้วครับอาจารย์แต่ว่าการแผ่ส่วนมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วถ้าสามีเป็นคนต่างชาติเป็นคนญี่ปุ่นอย่างนี้ได้ไหมครับได้ดวงวิญญาณไม่มีชาติไม่ไ ม, มีชาติดวงวิญญาณทุกชาติเหมือนกันต้องการบุญเหมือนกันถ้าเราไปบุญเราแผ่ให้ก็ได้เรแผ่ไปคุณนิรุ้ครับเรียนถามครับอาจารย์ที่สอนบอกว่ากายและใจเป็นคนละส่วนกัน แต่ทำไมคนเราเวลากายป่วยแต่ถ้ามีกำลังใจดีกายที่ป่วยสามารถบรรเทาลงหรือหายได้ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งความป่วยของร่างกายก็อาจจะเกิดจากการป่ปวยของใจก็ได้ถ้าใจไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ป่วยใจเป็นปกติเนี่มันก็จะไปทําให้การฟื้นของทางร่างกายอาจจะหายเร็ ว, รวขึ้นอันนี้การเป็นส่วน มันที่เป็นโรคจิตนี่บางคันบทีมันอาจจะไปทําให้เกิดโรค ท, งทงางทางหน้าหน้ากายได้เช่นความเครียดความเครียดจะทําให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้พอใจไม่เครียดโรคต่างๆทางร่างากายก็มันเทาได้คุณป้าปนัดดาครับคนที่ยังหลงความสุขจากการดื่มเหล้าเบียร์ได้มาถามหนูเชิงปรามาสว่าสิ่งที่ควายไขว้าอยู่เป็นความสุขที่แท้จริงหรือ หนูคิดไม่ตกว่าคนประเภทนี้เราควรอธิบายให้ข้อมูลเขาหรือวางเฉยดีคะเพราะเป็นคนที่หนูเป็นห่วงและมีความหวังดีให้เสมอเขาเมตตาพระอาจารย์ให้ปัญญาไปครับก็ต้องดูว่าเขาอยากจะเขาถามนี่ก็เขาอยากจะได้ความรู้จริงๆหรือว่าเขาถามแบบประชดประชันก็ต้องดูว่าเขามีเจตนาอย่างไรถ้าเขาอยากจะรู้จริงๆแล้วก็พูดไปตามความจริงที่เราเรู้ก็ได้แต่ถ้าเราพูดไปแล้วเขา้ากับหัวร้ววววอยเย้าเราเราก็หยุดทูกข์เท่นั้นเอง คุณเรียวครับการอธิษฐานจิตว่าขอให้มีความสุขไม่มีความทุกข์ถ้าเราไม่ทุกข์เลยมีแต่สุขจะไม่มีแรงกระตุ้นทําให้บรรลุธรรมช้าหรือเปล่าครับพระอาจารย์มันคเคยนหนึ่งแล้วต้องเข้าใจว่าการขอหนึ่งมันขอไม่ได้ขอให้ไม่มีความทุกข์มันขอไม่ได้แล้วเพราะขาไปจนมันตามันก็ต้องทุกข์อยู่ดีเพราะโลกนี้คือโลกของความทุกข์ ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเรื่องเรื่องนี้หรอกไม่ต้องไปขอด้วยต้อปฏิบัติธรรมจะไม่ขอให้มีความสุขจะไม่ขอให้พ้นทุกข์ต้อปฏิบัติธรรมรู้ว่าการจะพ้นทุกข์รู้มีความสุขได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติของตันเองคุณหนึ่งรุษไทยครับควรวางใจอย่างไรเมื่อครอบครัวทะเลาะกันต่างคนต่างมีความต้องการบางสิ่งเราไม่สามารถทําให้เขาได้ เราเลือกที่จะปล่อยเฉยได้แค่รับฟังทําถูกต้องหรือไม่เจ้าค้านหรือควรทำแบบไหนให้ใจเราเป็นอุเบกขาได้คะก็นั่นแหละถ้าเราทําอะไรไม่ได้เราก็อยู่เฉยถ้าเราทำตามคำการทะเลามเบาแหวกกันได้เราก็ทําไปถ้าทําไม่ได้ก็ปล่อยก็ทะเลาะกันไปไม่เช่นนมัไม่ใช่เรื่องของเราคุณณถาครับคนใกล้ชิดไปฝึกปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่ขอนับถือ แต่กลับมาเข้มงวดจำกัดกิจกรรมทางโลกกับคนในบ้านไม่ร่วมกิจกรรมทางสังคมตำหนิการเล่นเฮฮาของคนอื่นทำอย่างไรจะให้เขาอยู่ในสายกลางครับก็คุยเขาดูเสร็จว่าเรื่องของพี่พี่จะทำไปเรืออ่องของก็เลยก็ปล่อยคนอื่นก็ทำไปแล้วต้คุยกันคุณทัศนครับ ระหว่างที่โยมภาวนาโยมรู้สึกตัวเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในภวังแห่งความนิ่งไม่ไปยุ่นแต่ในผวังนิ่งอย่างเดียวไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังโยมควรทําอย่างไรต่อไปครับถ้ามันเป็นพวังที่มีความสุขก็ควรจะทําอย่างนั้นบ่อยๆเวลาเราอยากจะมีความสุขแล้วก็เข้าไปในภวังนี้ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่จิตใจเราต้องการคือความสุขใจ อันนี้เป็นการฝึกในระดับสมาธิไม่ใช่ระดับปัญญาถ้ า, าอยากจะก้าวหน้าต่อไปหลังจากที่เรามีความสามารถเข้าเข้าไปในสภาวะสมาธิได้อย่างอย่างสม่ำเสมอแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ควรจะมาฝึกคิดทางปัญญาคิดให้เห็นอริยาาสัจสีให้เห็นใจรักก็เราจะได้รับความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆด้วยปัญญาต่อไป คุณมาริสาครับผู้ที่ฝึกสมาธิมีสติและปัญญาลึกซึ้งความรู้ทางโลกจากการยั่วยุของกิเลสจะเกิดความเบื่อหน่ายหรือจือชื่อใช่ไหมครับก็อนไี้มีปัญญาก็จะเห็นโทษของกิเลสก็จะไม่ไม่ไม่ทบตามกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสจะนึงให้ใจไปพบกับความทุกข์ต่าง คุณกอรมิรครับนั่งสมาธิแล้วนึกถึงอาหารเกิดความอยากกินแล้วจิตน้อมไปถึงอาหารเล่ปฏิกูลสัญญานึกถึงอาหารที่เคี้ยวแล้วคลายออกมาจากปากย่อยอยู่ในกระเพาะถ่ายออกมาแล้วคลายความอยากอยู่ดีๆจิตก็หายฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับลมหายใจได้อย่างสงบเป็นสมาธิได้แบบนี้คือจิตปรุงแต่งในทางที่ถูกหรือยอย่างไรครับเขาเรียกว่าปัญญาอบมสมาธิไงปัญญาคือการดู ความไม่สวยงามของอาหารความไม่น่ารับประทานของอาหารมันก็จะทําให้เราระงับความอยากได้พอเราลังเลความอยากได้ความอยากที่ทําให้ใจเราฟุ้งซ่านมันก็หายไปความฟุ้งซ่านก็หายไปจิตก็กลับมาสงบได้คุณสีชัยครับการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมันยากมากขนาดไหนครับเคยอ่านในพระไตรปิฎกว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆ ก็ถูกก็ต้องเรีวันที่หนึ่งยากขนาดไหนมันก็มันมันยากจังอ่ะถูกก็ต้องเรีวันที่หนึ่งแสนแสนน้ําเท่ากันแล้วกันคุณก็แบบแสนน้ําเท่าครับคุณพงศกรครับฝึกสติโดยการนั่งดูลมสักพักมีเรื่องย้อนให้คิดแล้วโกรธทีนี้ดูลมยังไงก็ร้อนก็โกรธจนทําตอบไม่ได้ไม่หายควรแก้อย่างไรดีครับ แสดงว่าสติเราไม่มีกำลังพอที่จะดูลงแล้ ว, ลวรับความโกรธได้ก็ควรจะลุกขึ้นมาเดินจบกลงแทงเดินโยกบดลังก็พยายามเจริญสติใหม่เดินด้วยการดูเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปาเดินไปแล้วบริกรรมพู้โทษพู้โทไปแล้วสวดอิติปิโสไปก็ได้ คุณมาริสาครับในปัจจุบันนี้คนดีเท่าเขาควายคนชั่วเท่าขนควายจริงไหมครับอาจารย์เราก็ไม่ได้ทำสถิติไว้ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่โดยโดยทั่วไปมันก็เป็นอย่างนั้นคนดีหายยากคนชั่วนี้หายหายง่ายเยอะ คุณสุตราครับเวลาที่เราได้ทานของอร่อ ย, ออยๆที่ชอบเราควรพิจารณาอย่างไรเพื่อไม่ให้เราหลงมีความสุขกับการทานอาหารที่เราชอบคะก็ดูเวลาที่มันถ่ายออกมาเนี่เรื่องอาหารที่เรากินนี่เดี๋ยวมันผู้อีกวันสองวันมก็ต้องถ่ายออกมาเยตอนที่มันถ่ายออกมาเรายังชอบมันอยู่หรือเปล่าคุณนกครับ เรื่องที่ปฏิบัติแล้วกลายเป็นคนนิ่งๆที่ได้สอบถามพระอาจารย์ไปว่าก้าวหน้าหรือผิดทางโยงเคยปฏิบัติแล้วได้ความสุขจากการปฏิบัตินั่งสมาธิเคยสุขมากๆๆแต่ตอนนี้มันก็นิ่งๆมันนิ่งอยู่ข้างในเคยมีคนบอกว่าถ้าปฏิบัติจนจิตตื่นจะสดใสร่าเริงอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมกรณีนิ่งจากกิเลสเป็นลักษณะยังไงคะจะได้พิจารณาตนเองดูค่ะก็เวลาที่จิตเป็นอุเบกขาเนี่ยมาจากกิเลส ไม่มีความรักชังกลัวหลวงพราะนั้นจิตก็จะมีความสุข ม, มีความสบายมีความเบาอกเบาใจคุณบัญชาครับเมื่อปฏิบัติธรรมเริ่มเบื่อหน่ายทางโลกแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นความเบื่อหน่ายจริงหรือเป็นแค่อารมณ์ชั่วคราวครับก็ต้องดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆคุณพิกแกงครับ รู้สึกมีความน้อยใจจนมันเกิดความโกรธรู้สึกอ่อนแอเพราะร้องไห้บ่อยๆอยากปรับใจให้หายจากการเป็นแบบนี้ควรทําอย่างไรดีคะความน้อยใจของเราเกิดจากความอยากอยากให้คนคนั้นคนนี้ก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราเขาก็ไม่ทําให้เราเราก็เลยน้อยใจแก้ปัญหาความน้อยใจด้วยการอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปยั่งให้เขาต้องดีกับเราต้องอะไรของเราะแล้วเราก็จะไม่น้อยใจเพราะมัน เพราะว่าเราไม่ได้หวังอะไรจากใครเราก็ไม่มีใครทําอะไรให้เราเราก็จะรู้สึกเฉยๆได้เราจะไม่ร้องมาร้องไห้ให้ให้มามายืดหลักพึ่งตนเองอัตตาอัตโนญาเทวนีิบาอยากจะได้อะไรก็หาเองอย่าไปหวังอะไรจากใครถ้าหาเองไม่ได้ก็หยบก็ ก, ก, ก็ก็จบ ก, ก็ไม่ได้ก็ถือว่าก็อย่าประหยากได้ก็แล้วกัน คุณอาทิตย์ครับรับประทานอาหารกลางวันอิ่มแล้วหลบไปนั่งภาวนาพุทโธแล้วหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงกริ่งตอนบ่ายโมงจิตเป็นสมาธิไหมครับไม่หรอกนี่ก็เลยจิตเราเปิดเข้าพวังเราส่วนใหญ่เวลากินอาหารนี่เราจะไม่นิยมนั่งสมาธิกั น, นถ้าอยากจะปฏิบัติต้องเดินจงกรมแทน คุณสาระครับหากเราเจอรุ่นน้องที่มีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายใจเช่นให้หยิบของให้เพราะไม่อยากลุกเองหลายครั้งหรือให้เราทำงานที่เขารับมาถ้าเราไม่ยอมทาจะกลายเป็นคนไม่มีน้ำใจหรือไม่คะก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะมีน้ำใจเราก็ทำตัดนี่ก็ขอรองถ้าเราไม่อยากจะทำก็แสดงว่าเราก็ไม่มีน้าใจก็เป็นสิทธิ์ของเราเราจะเลือกัำก็ได้ไม่ทำก็ ไ, ได้ คุณออนอุมาครับกล่าวต่อรัศกา ร, ร, การพระอาจารย์ค่ะโยมขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องอนิสงของการทําบุญที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นสถานการณ์โควิดทําให้รูปแบบของการทําบุญเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเคยไปทําบุญไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมที่วัดมาเป็นการทําบุญต่างๆออนไลน์สวดมนต์ฟังธรรมผ่านไลฟ์โอนเงินปัจจัยต่างๆเป็นต้นโยมเลยอยากทราบว่าอนิสง์ที่ได้จากการทําบุญเหมือนหรือต่างกันหรือไม่เจ้าคะตอนนี้โยมทําวิจัยเรื่องนี้อยู่ด้วยเจ้าคะ่ะ อเหมือนกันเหมือนกันวิธีการทำอาจจะต่าง ก, กันแต่ประโยชน์ที่จะพึได้รับก็เหมือนกันคุณพัดพัชลาครับตอนนี้รักษาศีลกุศลกรรมบทสิบแต่คำหยาบยังสอบตกตลอดอย่างนี้เรากลับมารักษาศีลห้าอย่างเดียวอันไหนจะดีกว่ากันคะก็พยายามพยายาม แก้ไขไปเรื่อยๆดีกว่าอย่าลัยเลยินงยามลบลงมาถ้ารู้ว่าเราเราบกพร้องในข้อนีอ้เราก็พยายามมีสติให้มากขึ้นพยายามฝึกซ้อมแว้วต่อไปนี้เวลาจะพูดคําอยากก็พยายามระงับหน่อยๆถ้าเรามีความพยายามมันก็แก้ไขได้แต่ถ้าเราไม่ไม่ไมพยายามแก้ไขเรากลับมาล้ำเพียงแค่สีหน้าเราก็ไม่มีทางที่จะก้าวหน้าได้ เราเราทมารักษาสิ้นแปะเราก็จะรักษาไม่ได้อยู่ดีไม่รักษาสิ้นสิบเราก็จะทำไม่ได้เระนั้นพยายามแก้ไขไวิถีดีกว่าอยู่กับไม่ทำอะไรเลยอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากขึ้นให้ดีสัดนมากขึ้นทุงครั้งมันอาจจะพูดอะไรที่ไม่ดีก็หยุดมันดีกว่า คุณแพทครับการได้ไปสู่พระนิพพานดูเหมือนจะไกลเกินที่ไปถึงในชาตินี้สำหรับคาราว่าทั่วไปกราบขอแนวการปฏิบัติที่พอจะช่วยให้เดินได้ถูกทางค่ะก็รักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญไปแล้วการตายก็จะได้ไปสวรรค์แล้วพอเการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดมเกิดเป็นมนุษย์ที่ชอบทำบุญทำทานรักษาศีลหม่ก็จะเริเวณอยู่ในในใ น, ในขันเรียกสุขติ ไม่ต้องไปวนเวียนในอับอายในทุกทุกทิคุณเล็กครับการตายที่บ้านกับการตายที่โรงพยาบาลต่างกันไหมเจ้าคะ้ะวิญญาณจะอยู่ตรงที่เราตายจริงไหมคะไม่จริงหรอกวิญญาณมันไม่ได้อยู่ในเรามันได้อยู่ในร่างกายวิญญาณมันอยู่ในโลกที่มันเพียงแต่สก่กระแสตัวรับรู้คือวิญญาณในขันนี้มาเกอติดกับร่างกายทั้งเอง พอเวลานั่งกายตายการเชื่อมต่อก็หยุดลงทั่นเองจิตก็อยู่ในในโลกทิศตลอดเวลาไม่เคยมาอยู่ในร่างกายไม่เคยมาอยู่ในโลกของร่างกายนี่ไหนร่างการจะตายที่ไหนไม่ไม่ไมีคํามางมันสำหรับจิตจิตอยู่ที่นี้คุณสมพรครับโยมประสงค์จะอยู่แบบพระในเพศฆราวาสต้องปฏิบัติกันอย่างไรครับจึงจะได้มีใจเป็นพระในเพศฆราวาสครับ แล้วก็ต้องถือสิ่งแตะขึ้นไปถือสิงแตะแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติภาวนาอยู่เรื่อยๆจิตสตินั่งสมาธิโคโยกูปการพิจารณาปัญญาหรือศึกษาธระเศทศคํธรรมไปเรื่อยๆก็จะอยู่แบบพระในเพศของคาราวาเป็นอุบาสกเนี่ยบาสคุณดังสีครับกลับเรียนพระอาจารย์สองข้อครับ การทำหมันสัตว์บาปไหมครับไม่แบาบปไม่บาปเพราะเราไม่ได้เป็นข้าข้อที่สองจิตฟุ้งซ่านมากจะใช้คําบริการพุโทโธหรือใช้สติคอยตามรู้ดีครับก็เราแต่เราใช้ได้ก็ใช้ไปถ้าใช้สติมีสติแล้วหยุดมันได้ก็หยุดไปถ้าสติหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธสร้สางสติขึ้นมาคอยคุณสมพรครับ อันนี้สงการประเคนอาหารพระมีอันนี้สงอย่างไรบ้างครับโยมประเคนอาหารให้พระอยู่หนึ่งเนืองมีความสุขทุกครั้งที่ได้ประเคนอาหารพระครับก็เป็นการาทําให้พระได้รับอาหารไปไปฉันนั่นเองทำให้มีการประเคนพระก็เอาเอาอาหารนี้ไปไประฉันไม่ได้ครับ <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้เป็นอาหารของโยมเองโยมก็ไม่ได้อันนี้สงคือไม่ได้ทานไม่ได้ทับทานอันนี้เขาเลยก็ได้ได้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้ นับใช้พระอันนี้ก็เป็นบุญอย่างแต่ไม่ใช่เป็นบุญที่เกิดจากการทำทานเป็นบุญที่เกิดจากการนับใช้พูดคุณคณิสอนครับการซ้อมตายทําอย่างไรครับก็คิดไงลองคิดดูว่าสมมติวันนี้เราตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันก็ไม่ใช่เป็นของเรา พฉะนั้นเราก็ลองร้อมดูว่าต่อไปนี้เราจะไม่ถือว่าทุกข์ทุอกอย่างไปของเราเพราะวันนี้เราถือว่าเราตายไปแล้วใคร ย, ย่ออะไรไปเราก็จะเฉย ๆ, ๆไปและไม่เดือดร้อน ค, คุณซิมครับก่อนทานอาหารแฟนจะเชิญเจ้ากรรมนายเวรมากินก่อนเพราะเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่ไม่หิวก็จะไม่ทําให้เราเจ็บปวดเดือดร้อนช่วยได้จริงไหมครับ ไม่รู้เหมืนกันนีุได้ยินวันนี้เจ้ากรรมนายเวรนี่ผู้ตามหลักจิตต้องเป็นคนที่มีเรื่องกับเราเนี่ยเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรวันนี้มาคอยรำความเราคอยคนที่มาคอยกันแกล้งเราหรือคนที่มาคอยสร้างความรุกงเรื่กับเราอันนี้ตัดหักที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรล้วส่วนเจ้ากรรมนายเวรที่คุณเชิญมากินอาหานี่รู้ไหมว่าเป็นเป็นอะไรเป็นดวงวิญญาณหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ เราเจ้ากรรในาเวรที่เป็นบุคคลนี้เราแก้ยังไงดีครับอาจารย์ครับก็ใช้เข้ามาเกินข้าวเลยใช้เขามาดื่มเล้าว้าหรือเป่าก็ไปรับประทานอาหารร้านที่เขาโปรดเขาชอบเขาชอบกินอาหารอะไรก็ชวนเขาไปกินอาหารที่ร้านนั้นก็ได้ชวนเขามาบ่อยๆต่อไปเขาก็จะจรักเราชอบเราขึ้นมาเองไกลๆจะกลายเป็นมิตนกันต่อไปคุณปราณีครับ เมื่อร่างกายเกิดความเจ็บปวดแต่จิตรับรู้ว่าเกิดความปวดแล้วพิจารณาความปวดแต่ก็ไม่แสดงอาการปวดยังใช้ชีวิตประจำวันปกติอย่างนี้เลือกว่าเรียกว่าพิจารณาสังขารไหมคะก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาไม่ใช่สังขารเรียกว่าเวทนาพิจารณาเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายเรียกว่าทุกขเวทนาแล้วปล่อยวางได้คือปล่อยให้มันปวดไป แต่ใจไม่รู้สึกทรามาน ก, กับการเจ็บป่วยของทางร่างกายเพราะรูว่มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้คุณลวิวันณครับปัจจุบันเวลานั่งสมาธิจะไม่ง่วงหลับแต่เวลาเดินจงกรมพอเดินไปสักพักเหมือนจะวูบหลับควรแก้ไขอย่างไรครับไม่อยากเดินเลก็นั่งแทน <laughs> คุณเรียวครับ ทำไมต้องจุดเทียนและธูปสามดอกคะเป็นธรรมเนียมในการทำตามธรรมเนียมประเพณีก็คืออาจจะหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนใหญ่ทำนะถ้าเป็นสามนี่ก็หมายถึงเราเราเล่นถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันคุณสีเพน์ครับจิตที่หลุดพ้นที่เราไม่ยึดติดในทรัพย์สินสมบัติบุคคลตัวตนเราเขามีอยู่ตั้งแต่เกิดจำความได้ถึงปัจจุบัน เป็นจิตเดิมที่มีของเก่าติดตัวมาพบชาตินี้ยอยากบวชบรรลุมรคนชาติสุดท้ายไหมเจ้าคะกำลองดอยู่เลยงด่วดนงันเราสามารถละกิเลสทั้งหมดได้ไหรือเปล่าคุณมเอครับขอพระอาจารย์แนะนำการเจริญปัญญาและเจริญเมตตาในชีวิตประจำวันด้วยครับและสิ่งเหล่านี้จะเจริญพร้อมกับสติอย่างไรครับ คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับสติเราก็ยังไม่ต้องเจริญปัญญาไม่ต้องเจริญเมตตาเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวยุคน่้ว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีเหตุที่จำเปนจะต้องใช้เมตตาเราก็ค่อยใช้เมตตาในเวลานั้นช่นเอาจจะไป ม, มีปัญหากับใครเดินแล้วไปชนกันนะไปทําให้เกิดอทําให้เขาเกิดความโกรธขึ้นมา แล้วเราก็เกิดความโกรธเราจะไม่ไปโกรธเขาเราจะให้อภัยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราอยู่ร่วมกันต้องจาัด ก, การให้อภยัยอันนี้ก็ใช้ได้ในขณะที่มีเหตุการณ์จำเป็นเราต้องใช้แต่ถไม่มีเหตุการณ์จำเป็นต้องใช้ถ้าเราอยู่ในระดับอง์การเจริญสติแล้วก็พยายามใช้เจริญสติไปพูดโทรไปเรื่องที่เราหายใจเข้าออกไปเช่นเดียวกับปัญญา ก็ยังไม่ใช้เป็นเวลาที่เราจะปัจรจกปัญญาในขณะที่เราจะเน้นสติแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่มาเขา้ามาเราต้องใช้ปัญญาแล้วก็หยุดสติแล้วมันใช้ปัญญาก็ได้เช่นพิจารณาใจรักเช่นใครมาขโมยเงินเราไปอย่างเงี้ยเงินหายไปทุกข์ข็หมดไปถ้าเราทุกข์เราก็ใช้ปัญญาว่า อ, อ๋อเงินนี่เป็ของขไม่แน่นอนเวลานี่จะ อนัตตาเราควบคุมมันคับมันให้อยู่กับเราไปตลอดเวลาไม่ได้เวลามันจะไปก็มันก็ต้องไปถ้ามันไปแล้วก็ต้องยอมรนะว่ามันเป็นอนิจจาเป็นอนัตตาเราก็จะไม่ทุกข์กับมันได้อันนี้ก็อยู่ขึ้นกับสถานการณ์อยู่ที่ระดับของการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับสติเราก็ต้องเจริญสติเป็นหลัก ถ้าเราอยู่ในระดับปัญญาเราก็จะแรงปัญญาเป็นหนละักถ้าเราอยู่ในระดับของการจเจริญเมตตาเราก็าจเจริญเมตตาเป็นหนละักอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ภ า, า ว, ะวะของจิตใจของเราว่าเราต้องการจเจริญอะไรเป็นหลักในขณะนั้นอาจารย์ครับอย่างตอนที่ขับรถลงเขานี่แล้วมีคําพูดอาจารย์ลอยมาว่ากลัวตายไหมอย่างนี้เป็นปัญญาไหมครับอาจารย์ ก็ก็กเป็นนะเพราะว่ามันคิดถึงความตายแล้วก็อยากจะทดสอบว่าตอนนี้เรายังมีสมไทยหรือความอยากไม่ตายหรือเปล่าความหัวตายก็คือความอยากไม่ตายนั่นเองและการเป็นรการพิจารณาพิจารณาว่าความอยากของเรายังมีอยู่หรือเปล่าความอยากไม่ตายยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าหัวตายก็แสดงว่าเรายังอยากไม่ตายแต่ถ้าเรายอมตายแล้วเราก็จะไม่หัวตาย คุณนกครับหากเก็บเงินออกมาปฏิบัติเต็มตัวไม่มีไรายได้แล้วทำให้ทำบุญได้น้อยลงหากชาตินี้ไม่สำเร็จมรรคผลบุญที่เกิดจากการตัดทางโลกมาปฏิบัติภาวนาจะมากกว่าบุญทางวัตถุหรือไม่คะการปฏิบัติทางโลกม า, ากปฏิบัติจะมากกว่าบุญทางวัตถุหรือไม่ก็อยู่ที่เราปฏิบกกัติได้ไมากน้อยเไหรถ้าปฏิบัติมากมันก็จะมาก กปิิบััตได้้นนอยคุณพิมพฑ์พัฒนครับลูกกําลังภาวนาพุทโธอยู่พอนั่งไปสักพักได้ยินเสียงหนูเข้ามาหากินแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมเก็บอาหารก็เกิดกังวลแล้วก็จะเลิกนั่งภาวนาจะออกไปเก็บอาหารอยู่ๆก็มีเสียงเกิดขึ้นในใจว่าจะไปห่วงหวงทําไมให้ทานแก่เขาไปเถอะแล้วใจก็เลิกกังวลทันทีแล้วก็อาการเย็นใจขึ้นมาแล้วก็นั่งภาวนาต่อ ได้อย่างเย็นใจเจ้าข่าแบบนี้เรียกว่าคิดไปเองหรือสติทำงานคะก็สติปัญญาทำงานไน่พิจารณาว่าความโหยงความห่วงนี่มันเป็นสมุทัยทำให้ทาให้เราต้องไปทุกข์เพราะเรายัางไปยึดไปตนดกับของอยู่แต่เราพิจารณาว่าเป็นการให้ทานไปทำบุญให้ทานไปใจเราก็ปล่อยวางรับความอยากได้รับความอยากไม่ถุนเสียอาหารัน ไ, ได้ ใช่เราก็ย็นขึ้นมาคุณทัศนาครับกาบเรียนถามหลวงพ่อเวลาสวดบทพุทธคุณคำสุดท้ายพักขวาไม่ต้องลงท้ายคำ่าติเพราะอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นเรื่องของศาสบาเลยต้องไปถามพวกที่เขาแตกขึ้นมาอันที่เป็นภาษาบาลีคุณอเนกชาติครับ เคยได้ยินคาสอนที่ว่าพูดมากก็ผิดมากพูดน้อยก็ผิดน้อยไม่พูดเลยไม่ผิดแม้แต่เรื่องที่ดีที่ถูกต้องท่านอธิบายว่าเมื่ออยากจะพูดจิตของเราจะกระเพื่อมไม่สงบนิ่งใช่ไหมครับมันก็อยู่กับมันก็อยู่กับ ว, ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าถ้าจิตของเรานี้ยังมีกิเลสอยู่เวลาพูดมันมันก็จะทำให้จิตเรากระเพื่อไมได้แต่ถ้าจิตเราไม่มีกิเลสแล้วพูดเท่าไหร่มันก็ไม่กระเพื่อม อย่างจิตคำว่ามุตตเจ้าจิตคำว่าลานีท่านพูดถ้าหลาจิตก็ไม่กระเพื่อนคาถามสุดท้ายนะครับพระอาจารย์ครับคุณโทล่าครับนั่งสมาธิแล้วตัวชาทั้งตัวคืออุปทานหรือเปล่าคะไม่เราเป็นธรรมดาของร่างกายทัมเทเวลาเรานั่งไปล้วเรื่องลงมาจะมันไม่หลเวียนตามปกติมันรลยทำให้เกิดอาการชาตันตาขึ้นมาได้ อ๋อยังอีกหนึ่งนาทีนะครับอาจารย์ครับคำนับสุดท้ายจะคุณปิ่นเพชรครับวิธีฝึกจิตใจให้มีความอดทนต่อความทุกข์ต่างๆทั้งทางกายและทางใจจะมีวิธีอย่างไรเจ้าคะก็ น, นีวิธีของสติของสมาธินี่แหละพยายามฝึกสติให้มากๆให้ใจนิ่งให้ใจเฉยแล้วใจก็จะไม่ทุกกับความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาทางกายและทางใจ ขอบกาดกับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆนฟังธรรมอยู่ใน f a c e b o o ห6ร้อยสสิแปดคนใน YouTube 6้อยแปดสิบหกคนในคลับ h o าส e 1ิบคนมีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมอยู่ด้วยกันตอนนี้หนึ่งพันสาม้อยสีสบสคนนะครับอาจารย์ครับข อ, ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในธรรมหวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมนี้บ้างไม่มากก็น้อยก็คิดว่าพอสมควรเวลาสาหรับวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงนาอมสิงธิที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, ง, งขึ้นไปเธอสาธุก็ข อ, ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฝังไว้เพลยงเพียเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้อก็คงจะได้พบ ก, กันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมัจัร์ก่อนจกักขอบคุณพระอาจารย์ครับ